อาจารย์ครับก่าน้องสักการครับผมอ่าอาจาริ์พรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพะอาจารย์ครับวันนี้เริ่มมีคนมาคึกคักครับมานั่งรอกันอยู่407คนครับพระอาจารย์ครับ <c oughs> อาจารย์มเมืช้าวินงถมตรคนเยอะไหมครับผมประมาณ300กว่านิดหน่อย310 70. ครับผมคต่เมื่อวาน<จ>นี้400กว่าเมื่อวานนี้วันพระกับวันเสาร์รงกัน อ๋อครับผมวันนี้วันอาทิต์เลย3า0ร้อยสาร้ยสิบเจ็ดนะครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยหกลครับพระอาจารย์ครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ใกล้วันวิสาขาบูชานลครับเดี๋ยวสั ป, ปดาห์หน้าผมก็เลยขอเอาธรรมะที่เป็นแก่นเป็นสารของพระพุทธศาสนา มากาบเรียนถามพระอาจารย์ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความสอนพวกเราเกี่ยวกับเรื่องอริยมรรคอริยผลครับพระอาจารย์ครับกราบขอความเมตตาพระอาจารย์ครับอริยมรรคกับอริยผลนี่ก็เป็นเหตุและผลอริยมรรคคือมรรเกิดเหตุแล้วก็ผลก็คือการบรรลุธรรมขั้นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆซึ่งมีอยู่สขั้นด้วยกัน ขั้นแรกเรียกว่าพระสาวันขั้นที่สองเรียกว่าพระสกิดาข้ามีขั้นที่สามเรียกว่าขั้นพระอนาคามีและขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหนต์การที่จาบรรลุถึงถึงถึงผลของพอะระอริยบุคคลได้ต้องต้องเจริญมากมากก็คือเป็นการปฏิบัติธรรมที่จะทําให้ กิดผลขึ้นมาถ้าเปรียบเทียประเมินกับการเรียนปริญญาตีโทเอกก่อนที่จะรับปริญญาตีได้ก็ต้องเรียน4ปีแล้วก็นอกสอบทําข้อสอบต่างๆถ้าสอบผ่านครบ4ปีก็จะได้ปริญญาตรีมากอันนี้ก็คือมาร์กของปริญญาตีมาร์กก็คือการดําเนินการการปฏิบัติทำ กรปฏิบัติเพื่อที่จะให้ได้ให้ได้ปริญญาไมต้องเรียนสี่ปีแล้วก็เขาได้หน่วยกิจทตามที่เขากําหนดไว้พอแล้วเขาทุกหน่วยกิตได้ทุกหน่วยกิตสอบผ่านทุกหน่วยกิตก็เขาก็มอบปริญญาให้ทำทำก็แบบเดียวกันการที่จะบรรลุเป็นพระสวดามันได้ก็ต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติ มีการทำข้อสอบข้อสอบต่างๆถ้าทำได้ผ่านได้ก็จะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันดังนั้นโสดาปฏิมาคือการการศึกษาและการปฏิบัติเพื่อทำให้จิตของผู้ศึกษาปฏิบัติได้บรรลุเป็นพระโสดาบันโสดาปฏิมาคโสดาปฏิปนณ ก็จะมาเป็นคู่เป็นเมืสี่ระดับก็ต้องมีสี่คู่เาะแต่ระดับนี้ก็ต้องมีการการศึกษามีการปฏิบัติทำมีการทําข้อสอบถึงจะสามารถบรรลุผลได้ที่มากที่จะต้องปฏิบัติของแต่ละขั้นนี้มันก็มีอยู่สามคือศีลสมาธิและปัญญานี่เองศีลและสมาธินี้ อย่าเป็นเหมือนกันทุกคันหือเป็นศีลก็ต้องมีความบอยสุดในศีลอย่างน้อยถ้าเป็นผู้กองเลยก็ต้องศีลห้าหรืศีลแปดน่แต่ส่วนสมาธิก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีอปปนาสมาธิอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็น อ, อ, อะไรนะเป็นสิ่งที่ต้องมี ่นจะสามารถที่จะไปขั้นปัญญาไนะ้ขั้นที่สขั้นปัญญาซึ่งขั้นปัญญานี้จะของแต่ละของลมามรรคผลนี้แต่จะต่างกันออวิชาที่ต้องศึกษามันไม่เหมือนกันวิชาที่จะต้องศึกษาไดล้กับปัญญาในขั้นของพระสดาบันก็คือต้องศึกษาเรื่องขันห้า ว่าธรรมชาติของขันห้าที่เป็นอะไรกันแน่เป็นอนิจจทุกขลรกตาหรือเป็นเนิจาสุขลักตาเพาโดยโดยทั่วไปแล้วของผู้ที่ยังเป็นบุตุชนอยู่จะเห็นว่าขันห้าก็คือร่างกายและความรู้สึกที่เช่นเวทนาสุขทุกข์ไม่สุขทุกข์กเวทนาที่เกิดทางร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรา แต่ความเป็นจริงแล้วพระเจ้าได้ส่งวิจวิเคราะห์แล้วพิาจารณาจนเห็นอย่างชัดเจนว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเรามันเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งหมายกับยินฟ้ากายที่มีเหตุมีปัจจัยทําให้มันเกิดขึ้นมามีมีปัจจัยทําให้ฝนตกมีมีปัจจัยทําให้อากาศร้อนทำให้อากาศนาวแต่ไม่มีไม่มีใครเป็นผู้ไปทําให้มัน แล้วลอดขึ้นมาไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนมันเป็นเรื่องของการทำ ง, งานตรงธรรมชาติเหตุปัจจัยก็เป็นเป็นเป็นเหตุปัจจัยทางธรรมชาติมาให้พิจารณาให้เห็นว่าขันห้าก็คือร่างกายและเวทนาในความสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ทางร่างกายนี้มันก็เป็นสภาวะธรรมทางธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไป กำหนดบังคับให้มันเป็นไปตามความอยากของเราได้อย่างไรเราจะเนื่องจากความหลงที่เราไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราเราก็เลยอยากให้ร่างกายเราแข็งแรงร่างกายเราอายุยืนยาวนานไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากกันร่างกายมันก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อย เป็นระยะระยะตั้งแต่เด็กก็มีการเจ็บไข้ได้ปวดมากน้อยแล้วแต่บุคคลแล้วก็ความตายก็มีกับทุกร่างกายไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องเข้าสู่ความตายความแก่ก็มีกับทุกๆคนถ้าอยู่ได้นานอายุยืนยาวนานก็ต้องเจอกับความแก่ซึ่งไม่มีใครเหลีกเรี่ยงหรือให้ร่างกายไม่แก่ไ ม, แกไม่เจ็บไม่ตายได้ ที่สาเหตุของของของใจนี่มันมีมันเป็นปนมันปัญหาของใจก็คือมันไปทุกข์กับร่างกายไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไม่มีใครรู้มาก่อนสมัยที่พระเจ้าไม่ได้ทรงตัดเซลลวก็ไม่มีใครรู้ว่าทําไมถึงต้องไปทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายทําไมต้องไปทุกข์กับร่างกายก็เพราะว่าทุกคนคิดว่นานางาจารเป็นตัวเรา เมื่อเป็นตัวเราเราก็ไม่อยากให้มันแก่ไม่อยากให้มันเจ็บไม่อยากให้มันตายเพราเมื่อมันแต่เจ็บตายมันก็จะไม่ทําสามารถทําสิ่งที่เราอยากให้มันทําให้กับเราได้คือพาเราไปเสพรูปเสียงเกลื่อนลดต่างๆพาเราไปเสพน้ำมิลชนนเสนนี่มันยังถึงเกิดตัณหาความอยากในใจที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาไม่มีใครรู้ว่า ความทุกข์ใจนี่ไม่ได้ไม่ได้เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่เกิดจากความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอันนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงพิจารณาถ้าใครอยากจะบรรลุขั้นโสดาบันนี่ก็ต้องเข้าใจกาทรทางานเข้าใจธรรมชาติของขันธ์ห้าว่าเป็นของไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงในการเกิดแก่เจ็บตายไปตามอวรรมะของมันไม่มีใครเป็นพวกที่จะมาสั่งให้มันแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของร่างกายแต่ใจที่มาครอบครองร่างกายนี่หลงคิดว่าตนเองนี่สามารถสั่งร่างกายได้เราสามารถสาารถั่งให้ทานู่นทํานี่ได้เดินไปไหนมาไหนได้ แต่พอจะมาเจอตอนที่ร่างกายแก่เจ็บตายนี้ครับสั่งไม่ได้ก็เลยทุกทุกขเพราะว่าไม่สามารถทําตามความอยากได้นั่นเองความอยากก็คื อ, อยังอยากจะไปหาลาบยศสรรเสริญรูปสิ่งกินลดมาเสพอยู่เรื่อยพอทําทไม่ได้ก็เกิดความทุกข์ใจพิพากษาก็ส่งคนโทษว่าความทุกข์ใจก็เกิดจากความอยากนี่ อยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องพิจารณาความเป็นจริงของร่างกายก็เห็นว่าทํำยังไงก็ห้ามร่างกายไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้มันเป็นมันเป็นตายรักร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนตตาไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้ถ้าไปอยากให้มันอยู่ภายใต้การควบ ค, คุมบังคับก็จะทุกข์เพราะมันเป็นไปไม่ได้ ถ้าไปอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันก็เป็นไปไม่ได้แต่ความอยากมันจะทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพอวิจารณาเห็นว่าถ้าไม่ต้องการความทุกข์ใจก็ต้องอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นเองเพราะปัญหาอยู่ที่ความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ใช้อยู่ที่ความแก่ความเจ็บความตายความแก่ความเจ็บความตายมันก็ต้องมีออกมาเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาของร่างกาย แต่ที่ใจทุกข์กันเพราะใจประยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเท่าทนั้นเองถ้าอยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องก็ต้องอยากประหยัดมันมาเองพอเห็นเห็นพิจารณาจากความเป็นจริงต้องอยู่ในเหตุการณ์จริงๆที่เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกิดทุกข์เข้ามาหนากขึ้นมาจะเห็นว่าทุกข์กายแล้วยังไม่ปล่อยใจ ย, ยังทุกข์ด้วยเพราะเวลาเกิดความไม่สบาย ทาร่างกายใจก็อยากให้มันหายพออยากเพราะว่ า, าใจก็ทุกทรมานด้วความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ผู้ที่เข้าใจหลักของความทุกข์ใจนี่เกิดจากความอยากให้ร่างกายหายเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าไม่อยากทุกทรมานก็อยู่กับก็ดูตามความเป็นจริงไปอยู่กับความเป็นจริงของร่างกายไปอันนี้ร่างกายยังยังเจ็บอยู่ก็ต้องอยู่ของมันไปต้องยอมรับสภาพ แต่ไม่ได้ห้ามว่าไม่อยากจะไปรักษามันก็รักษาไปแต่อย่าไป็นทรมาร์จนช่วงที่มันยังไม่หายรักษาไว้ใจแล้วรอเวลาไปเรื่อยใจเย็นๆเบิกาหายก็ดีไม่หายก็งทีก็หายบางทีก็รักษาไม่หายก็มีก็ต้องยอมรับสภาพไปถ้ายอมรับสภาพได้ใจก็จะไม่ถุกข์อันนี้ต้องต้องเห็นตาม เหตุการณ์จริงนะแต่ตอนนี้เราพูดกันนี่มันเป็นทฤษฎีเราพูดถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเราตายแต่เรายังไม่เจอความจริงยังไม่เจอเหตุการณ์จริงอันนี้ทุกยังไม่เกิดทุกยังไม่เกิดกเรากอะไรยังไม่ไม่เข้าใจาว่าทุกอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เราทุกนี่เราเข้าใจตามหลักทฤษฎีแต่เวลาเกิดเจอความทุกข์จริงๆเวลาเกิดเจอโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาจริงๆ แล้วเราก็จะเห็นว่าองคใจเราเมื่อก่อนก่อนที่ร่างกายไม่ได้เจ็บเนี่เราสบายใจใช่ไหมสบายให้ออกสบายใจจะทําอะไรก็ทําได้ไปนู่นมานี่ได้แต่พอร่างกายเจ็บขึ้นมาทําอะไรไม่ได้นะเราก็เริ่เห็นนอกจากร่างกายเจ็บแล้วใจเราก็เปลี่ยนไปด้วยจากใจที่สบายก็กลายเป็นใจที่ไม่สบายขึ้นมา <c oughs> อันนี้เราแก้ได้ถ้าเราอยากจะอยากจะแก้ความไม่สบายใจ พอพุทธเจ้าได้ส่งคนพบเหตุที่ทําให้เราไม่สบายใจก็คือความอยากไม่ร่างกายมันหายหรือไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้แต่มันเป็นความเป็นจริงมันเป็นอยู่แล้วห้ามมันเปลี่ยนแปลงความเป็นจริงนี้ไม่ได้ถ้าอยากจะให้ใจสบายไม่ทรมารยกับความเจ็บไข้ได้ป่วยก็อย่าไปอยากให้มันหายไปอยู่กับมันไปให้มันหายมันเองถึงเวลามันก็หายเองมันก็เป็นของไม่เที่ยง <c oughs> <Okay. S 1> อันนี้ก็คือการพิจารณาขันห้าให้เห็นว่ามันเป็นของที่เราก็ควบคุมบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ใจเรามาครอบครองมันไว้เป็นสมบัติชั่วกลาว น, นั้นเองการพิจารณาถ้าเข้าใจหลักนี้ก็จะปล่อยวางปล่อยให้ร่างกายเป็นไปแก่ก็ต้องยอมแล้วให้มันแก่อยอมแก่ เจ็บก็ต้องยอมเจ็บตายก็ต้องยอมตายยอมได้เพราะใจก็จะหายทุกข์ไม่ทุกข์กับความเป็นความตายความเจ็บไข้ได้ป่วยความแก่ของร่างกายติดต่อไปวัวใจหยุดความอยากได้เพราะเห็นโทษของความอยากว่าเป็นตัวสร้างความทุกข์ทรมานใจให้ขับใจไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอันนี้ก็จะทําให้ลาภสัมพโยชน์ที่เรียกว่า สัจกายะทิฏฐิสัมยุตย์ก็คือกิเลสหรือความหลงที่ไปหลงเห็นว่าร่างกายหรือกันท่ารา่รางกายกั็วิทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่เป็นตัวเราเป็นของที่เราควบคุมได้เป็นของที่เที่ยมแต่มันไม่ได้เป็นของเที่ยวเป็นของที่เราก็ควบคุมขับไปได้อันนี้แก้ด้วยปัญญาต้องริคอดด้วยปัญญาพิจารณาโดยใช้หลักใจหลัก จะสอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างสถาวัฒธรรมทั้งหลายเป็นตายละทั้งหมดเป็นของไม่เทียงเป็นอนัตตาไม่มีตัวตนร่างกายการห้าี น, น, นก็เช่นเดียวกันเราพิจารณาได้ก็จะรู้ว่าทุกเกิดจากความอยากแล้วก็ใช้ปัญญาดับความทุกข์ได้ด้วยการยอมรับความจริงของขันห้าว่ามันมันต้องเป็นอนิจจามันต้องเป็นอนัตตา ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายพ อ, อยอมรับได้มันก็ละัำโยะละละละความอยากได้ละตัณหาสมุทัยได้พอละสมุทัยได้ทุกที่เกิดจากสมุทัยก็หายไปต่ก็สมบไม่ทรมานไปกับความเจ็บไข้ไม่ความตายของร่างกาย <Okay. S 1> ก็ทำให้เห็นเห็ น, นริยสัจสี่ อริยสัจสีก็เป็นของไข่ก็เป็นคําสอนพระพุทธเจ้าเห็นพระธรรมคำสอนเห็นอริยสัจสี่ไม่เห็นอริยสัจสีก็ต้องดูว่าต้องมีผู้สอนผู้ผู้มาสอนผู้มาสอนนี่ก็คือพระพุทธเจา้าก็เลยทําให้ไม่ไม่สงสยัยได้ได้ว่าในว่าพระพุทธเจา้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคาสอนพระพุทธเจ้าที่เอามาดับความทุกข์ใจได้หรือไม่ มันก็ไม่มีความสงสัยในพระพุทธธรรมนะพระสงฆ์พระสงฆ์ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามคําสอนของพระเจ้าและดับความทุกข์ใจได้ก็คือตัวเราเนี่ยผู้คือผู้ที่บรรลุขั้นสอนสอนดาวันนี้ก็เป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาโดยอัตโนมัติก็เลยทําให้ละสัมยชน์ที่มืนมาเกี่ยวข้องด้วยคือความลั่งเลยสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะจะเชื่ออย่าง อย่างอย่างร้อยเอร์เซถึงแม้จะไม่ได้ไปประเทศอินเดียถึงแม้มมจะมเจอตัวพระพุทธเจ้าแต่ได้เจอเจอตัวแทนพระเจ้าก็คือพระธรรมคำสอนที่เราเอามาใช้ในการปฏิบัติตับความทุกข์ใจที่เกิดจากความหนุนความอยากที่จะให้ร่างกายเป็นไปตามความอยากความต้องการของเราเราก็มาเห็นว่า นอกจากนั้นก็ยางเห็นด้วยว่าความทุกข์นี้ส่วนหนึ่งก็เกิดจากความอยากอีกส่วนหนึ่งก็เกิดจากการกระทำบาปเวลาเราทำบาปในใจเราจะถูกข์ยังผู้ที่เห็นธรรมในระดับนี้จะไม่กล้าทําบาปต่อไปเพราะการทําบาปนี้ก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจเหมือนเอาไฟเผมเอาเผาตัวเอง ก็เกิดจะละสัญญน์ข้อที่สามได้ก็คือศีลพัตปา์าลามความลังเลสงสัยในสิ่งความลูปคาในสิ่งแล้วสี่งนี้มีมีประโยชน์ในความทํากข์ทอย่างไรทําไมต้องรักษาสี่งด้วยก็เห็นว่าเพราะถ้ารักษาสิ่งได้ก็จะไม่กระทำบาปเมื่อไม่กระทํำบาปก็จะไม่สร้างความทุกข์ทั้ใจและนอกจากความทุกข์ใจแล้วก็จะทําให้ใจนี้ต้องไปเกิดได้บายถ้ายังไม่ไปไม่ถึงนิพพาน ก็เลยทําให้พระโสดาบาันนี้ไม่กระทําบาปตลอดเวลาปิดประตูมาได้เพราะไม่ไม่มีการกระทําบาปต่อไปจะไม่ยอมจะไม่จะยอมตายยี่งกว่าการกระทำบาปถึงว่าจะต้องอดตายก็ยอมอดตายดีกว่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อเอ า, เอามาเอามาเป็นอาหารรับประทานอย่างนี้แต่อไป อันนี้ก็คือตัวอย่างของการเจริญมากในขั้นของพโสดารมันโจทย์ของพัสดารมันก็คือสกายทิฏฐิแล้วก็วิจิตกิจฉาและสีรพัตตาประมาในเวลาปฏิบัติจริงๆนี้มิจตทุทำข้อเดียและทำข้อสกายะทิฏฐิแล้วข้อข้อที่สองข้อที่สามเพ่วงมาด้วมันก็จะได้คําตอบพอๆกันไป พ อ, พอผ่านขั้นที่หนึ่งแล้วขั้นโสดาบแล้วก็ยังมีโจทย์ที่ยังต้องทําที่มายังมีตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจอยู่ถ้ยนขั้นขั้นต่อไปก็มีมีไม้คู่หนึ่งเรียกว่าการาการมาลาคั่กับปฏิฆาการมาลาคั่ก็คือความอยากร่วมเพศเนี่ยการมาลาคาั่งความอยากร่วมหลับนอนกับคนนั้นคือนี้ เวลาอยากแล้วไม่ได้ร่วมลำร้อก็จะเกิดปฏิฆความหงุดหงิดลงทานใจขึ้นมาวิธีของคนที่ยังไม่เป็นพระอริยบุคคลก็จะแก้ด้วยการไปร่วมเพศเวลาแกิดความหงุดิอยากจะร่วมเพศก็ต้องไปร่วมเพศพอร่วมเพศเสร็จความหุดหงกิก็หายไปแต่ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะว่าตอนที่ได้ไปร่วมเพศความอยากเสพการมันก็หายไป เชื่อข่าวตอนอย่างความอยากร่วมเพศมันก็หายไปแต่พอพักไว้สักระยะห น, นึ่งเดี๋ยวความอยากร่วมเพศก็กลับขึ้นไไมาเลยนีวิธีแก้ปัญหาของของปุตุชนนี้แก้ยังไงก็ไม่พ้นก็ยังต้องติดอยู่กับการร่วมเพศอยู่ไปตลอดเลล่วิธีที่แก้ก็คือต้องไม่ร่วมเพศเวลาอยากร่วมเพศแล้วอยากไปร่วมเพศเพราะความอยากร่วมเพศนี้เป็นสมุทยัย เป็นตัวสร้างความทุกข์คือความปฏิฆะอันินลลำพานใจที่เราต้องการจะกำจัดแต่การไม่กำจัดด้วยการน่วมเพรนี้ไม่ไม่ได้เป็นการทำให้ความอยากนั่นปฏิฆะผลที่เกิดจากความอยากคือปฏิฆะจากการน่วมเพรมันหายไปมันเป็นแต่ทำให้ความอยากน่วมเพรน ส, สยบตัวชั่วคราวแต่มันไม่หายไป วิธียาห์ก็คือต้องทําให้ความอยากร่วมเพศหายไปให้ได้ความอยากร่วมเพศให้มันหยุดวิธีหยุดความอยากร่วมเพศก็ต้องมองดูร่างกายในในลักษณะที่ไม่ น, าน่าไม่น่าไ ม, ไม่ไม่ น, าน่าดูไม่สถื่อนเลยครับนแล้วนัน้นเวลาเกิดอารมณอยากจะร่วมเพศต้องจะเห็นร่างกายของบุคของของคนนั้นว่าหน้าหน้ารัก น, น่าเห็นสวยงามหรือหล่อเหลา แต่ถ้าไปเห็นว่าเป็นหน้าตาประหลันี่ไม่เป็นการอยากจะร่วมเพย์ด้วยใช่ไหมถ้าเกิดหน้าตาเสียวฝ้าขึ้นเต็มหน้าอย่างนี้ก็ไม่มีความอยากมีวิธีทีใกล้ก็ต้องพยายามมองร่างกายในในลักษณะในในลักษณะที่ไม่สวยงามซึ่งเราอาจจะจินตนาการ ก, ารก็ได้แต่มาัน จ, จะเป็นการหลอกเราว่าหน้าตาคนนี้มีเสียวฝ้ามีอะไรเป็นหมดแพ่ยงแต่ตนนี้เอา ออออแป้งอาแป้งอะไรมาโปะมามาโปะไว้กันไว้ไม่ให้มองเห็นแต่เราก็ไป ม, มองส่วนที่ไปเขางจริงไม่ได้ที่ไม่ต้องจินตนาการที่มีอยู่แต่เงแต่เรามองไม่เห็นว่ามันถูกถู ก, ถกพิมพ์ดันพุ่มห่อเอาไว้ก็คืออวัยวะต่างๆที่มีอยู่ภายในร่างกายเช่นโคงกระดูกอวัยวะต่างๆเช่นปอดหัวใจตับ ลําไส้ถ้าเราสามารถมองเข้าไปข้างในได้ถึงแมน้นาฬกายภายในจะแต่งให้สวยให้งามยังไงให้หล่อเรายังไงแต่พอเนื้อตึกถึงภาพที่อยู่ภายใต้ผิวหนังแล้วมันก็มันก็สวนทางกัน <Okay. S 1> มันก็จะทําให้เห็นภาพที่ชัดเจนเห็นภาพที่ว่าร่างกายแท้จริงแล้วมันไม่สวยได้งามเพียงแต่ว่ามันมีร่างมีผิวหนัหงรุปหอยอยู่แล้ว แล้วก็มีการเสริมสวยความงามด้วยวิธีการต่างๆทำให้ร่างกายนี้น่ารัก น, น่าเอ็นดนนนูน่าร่วมเพลิด้วยกูเองก็ต้องให้มองส่วนที่ไม่สวยของร่างกายที่เราเรียกว่าอสุภะอสุภะก็มีสองอย่างที่เราอยู่ได้ก็คืออวัยวะต่างๆภายในในละจะอยู่ตอนที่ร่างกายตายไปก็ได้ สมัยก่อนบางทร่างกายนี้เขาคนตายนี่ก็เอาไปทิ้งไว้ในป่าชาเขาไม่ฝังไม่เผาปล่อยให้มันเน่าปเปื่อยก็ไปดูล่าเป็นไปนดูซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าชาเรียกว่เยี่ยมป่าชาในสมัยพุทธกาลนั่งบวชเขาจะชอบไปเยี่ยมป่าชาเพื่อไปดูซากศพนี้ไปดูร่างกายที่สวยบา ง, งานามนี้อวาจริงนะมันสวยเฉพาะตอนที่มีลมหายใจเพอมันลมน้ำเดี๋ยวมันก็ขึ้นเอิ พอเพืนะแล้วเปลี่ยนแปลงเหยาเปื่ยกุ้พังไปอันนี้ก็เป็นวิธีการที่จะระงับการมลาคา่ะและปฏิกาขั้่นสงฆ์าไชนิกานี้ท่านให้บรรลุได้ถ้าสามารถทำให้เบาบางลงได้ก็ยังไม่หมดเแต่ว่าให้ลดประมาณสักครึ่งหนึ่ง้าสิบเปอร์เซ็น์ตอนที่เป็นโซดาบันนี้ยังมีความอยากเสก เสรรมร้อยเปร์เซ็นเพราะยังไม่เคยคิดถึงเรื่องอาสวะเลยไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาแต่พอหน้นเห็นว่าการดีความอยากเสกการได้มันก็เป็นตัวมาสร้างามทุกข์ให้กับใจสร้างปฏิกะให้ตับใจก็ถ้าอยากจะแก้ปัญหานี้ก็ต้องศึกษาดูก็ก็จะได้ยินได้ฟังจากกระทำลองฝึกว่าต้องพิจารณาสุภาษ จะนะัฒนาความไม่สวยงามของร่างกายเพราะตัวที่กระตุ้นการอารมณ์มก็คือความสวยงามของร่างกายพอไปเห็นความไม่สวยงามของร่างกายอารมณ์ที่ถูกกระตุ้นด้วยความสวยงามมันก็จะหายไปอันนี้ถ้าสามารถระงับการอารมได้น mm ้อยละห้าสิบก็ถือว่าได้บรรลุขั้นที่สองขั้นตัศกีดาคานี้ ส่จารย์บรรลุขั้นที่สามขันานาขม้นระนาคามีต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาไม่เห็นร่างกายเป็นอสุภะตลอดเวลาเห็นท่าศอกก็ดีเห็นรา ก, นการที่อยู่ภายใต้ผิวหนั้นก็ดีทุกครั้งที่เห็นร่างกายทุกครั้งที่เกิดอารมณ์เราสามารถเอาอสุภะมาขึ้นมาเทียบเคียงได้อารมณ์ที่เกิดจากสุภาก็จะหายไปก็ พอเกิดอารมณ์ที่เกิดจากอาสุภะขึ้นมาทดแทนที่ก็จะทําให้ความอยากที่อยาเสพกา ร, ร, กการานึนรกว่าเพลหายไปทำอย่านี้ไปเรื่อยๆความอยากมันในที่สุดมันก็จะหมดกาลังไปเอหมดกำลังมันไม่มีกําลังโผล ข, ขึ้นมามันก็ตุ้นให้เกิดมีความอารมณ์อยากจะเสพมันก็จะทําให้มนุขขั้นที่สามขั้นพระอนาการิษ อ, อนาคามีนี้ก็จะจะตอบโจทย์ของ เ, เรื่องที่เกี่ยวว่ากับร่างกายพระโซดาวันก็ตอบโจทย์ครึ่งหนึ่งคือเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแล้พระสกิริดาคาก็มาตอบโจทย์ของของของการมาราคากับปฏิฆาได้ได้ประมาณครึ่งหนึ่งพอพอตอบโจทย์ได้ร้อยเปอร์ซก็เป็นพระ อ, อนาคามี ก็ถือว่าพานาคาเมหะน่าสามยนเบื้องตับได้ทั้งห้าคอนาสกายาทิฏฐิศีลปะตปรามาสวิจิกิจาการบาราคาะนาปฏิการอันนี้ก็เป็นขั้นที่สามถ้าเรารู้ขั้นที่สาแล้วนี่การที่จะมาเกิดในการมาพบก็หมดไปเมื่อผู้ที่มากิดในการมาพบเป็นผู้ที่ยังอยากจะเสพ ร, รูปเสียงกิเลส เสกกรรมอยู่นั่นเองเราเป็นผ้านาคามีแล้วความอยากเสกการมในทุกรูปแบบวก็ถูกําจัดเลยก็จิตของผู้ที่เป็นผ้านาคามียเขาจะไม่กลับมาเกิดในการมอภุมไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปแต่ยังยังไปเกิดอยู่ในโพลังโลกอยู่ในรูปภพเรื่องรูปภพเนื่องจากว่าพผ้านาคามีนี้ยังมีความความทูกพันกับความสุขที่เกิดจาก รูปปัจฉานหรืูปปัจฉานที่ได้จากการเจริญสมาธิเพื่อเป็นเครื่องมือที่จะมาละสังโยชนเรื่องต่ำที่เครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือนี้ก็เลกลายเป็นปัญหาขึ้นมาเป็นปัญหาที่ทําให้อานาคามีและ ไ, ไปติดอยู่ในรูปภพกาลรูปภพไม่สามารถออกจากทังสามภพได้ ออกจากใต้ภบได้แต่พรยังไปติดอยู่กับเรืู่ปประภพกาลรูปประภ พ, ะพเพราะยังยินดีกับรูปประชาร์กาลรูปประชารอยู่เพราะในตอนราสัมยุนเ บ, บื้องเบื้องเบื้องต่ำนี้ต้องใส่รูปประชารหรือวรูปประชา ร, ร, ปปรชาเป็นเครื่องมือก็เลยไปติดเครื่องมือนี้ก็ลงมามาถ้าอยากจะออกจากใต้ภพคือออกจากรูปประภพอกจารูปประภพก็ต้องหยุดการที่ไปยินดี กับรู ป, ปรชานรูปปาะชาซึ่งเป็นสัมยอดรู ป, ปราคะอรู ป, ปราคะแล้วก็ยังมีอีกสามตัวสัมเรื่องต้งบ่นก็คือก็คืออุทธจัจจความฟุ้งซ่านมานะ ก, การถือตัวและอวิชชาความความหลงที่ยังยังมีอยู่ ในระดับของพระานาคามีอันนี้ไม่ได้หลงร่างกายนะแต่ไปหลงหลงหลงจิตเป็นหลงจิตเพราะจิตในในในระดับนั้นจะเป็นจิตที่สว่างสวยที่เรียกว่าจิตประภสัสสรก็เลยไปหลงคิดว่าจิตนี้เป็นจิตที่ที่สุดยอดของจิตใหม่ๆไม่ได้นความเปลี่ยนแปลงแต่ เมื่อสัมผัสไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเห็นว่าแม้แต่จิตที่เป็นพระพัทธสารนี่มันก็ไม่เที่ยมมันมีเจริญมีเสือ่อมและมันจะทําให้ใจต้องไปทุกข์กับมันถ้าไปยินดีกับจิตที่พระพัทธสารนี้ก็เราพิจารณาให้มันเป็นตายรับการพิจารณาเป็นไตายรับบางทที่พิจารณามากเกินไปก็เป็นทัศน์ขึ้นมา แต่ เ, เราทําทําโจทย์ทำการบ้านบางข้อเนีนย่ยมันยากมันยากใช่ไหมคิดคิดทำหลายรอบก็ยังไม่ไม่ยังไม่ได้คําตอบอ ถ, ถ้าไม่พักมันก็เหนื่อยมันก็ไ ม, ไม่ไม่สามารถหาคําตอบได้เวลาใช้ใช้ความคิดมากจิตบเงทีก็เหนื่อยแล้วจิตมันก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาทุกสิ่งตามหลักของเหตุผลได้เราต้องมีการพักผ่อน ผ่อนในสมาธินี้แหะหยุดความคิดพักจิตละละอุทัจะด้วยการพักจิตชั่วข้าวแล้วพอจิตกลับมาเป็นปกติไม่ฟุง้งซ่านไม่ไม่เน็ดเหนื่อยมีพลังก็กลับมาพิจารณาพิจารณาจิตใหม่พิจารณาจิตที่แบบเป็นพัฒน์สอนนี้ใหม่ว่ามันเป็นอะไรกันแนะ่มันเป็นตายลักหรือเปล่าถ้ามันเป็นตายลักก็ถ้าอย่างไป ยินดีกับมันมก็จะต้องทํำให้เราทุกอันนี้ก็คือการพิจารณาสัมยอดส่วนอีกตัวหนึ่งก็มานะก็คือมานั้นก็คือความคิดที่เราคิดขึ้นมาเองว่าเราเป็นตัวตนเราดีกว่าเขาเราเท่าเขาเราอันนี้ต้องเข้าใจาว่ามันเป็นเพลงแต่ความคิดไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วทุกคนเท่าเท่าเ่ากันหมดเหมือนกันหมดเพรคนก็คือขันห้าร่างกายกับจิตใจ จิตใจของทุกคนก็เป็นจิตใจเหมือนกันตัวรู้เหมือนกันตัวรู้ตัวที่เหมือนกันไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติมันก็จะละมานะละการถือตัวได้นี่คือการละสัโยตห้าตัวสุดท้ายเมื่อละได้ก็ทําให้จิตมีกำจัดต้นเหตุของความทุกข์สัโยน์นี้ก็คือตัวสมุทยัย ที่สร้างความทุกกับใจในรูปในลักษณะต่างๆพอรับได้หมดที่นี้ความทุกข์ในใจก็ไม่มีลงเลยอย่ต่อไปความอยากต่างๆก็ไม่มีอยากร่างกายอยากให้อยากได้ร่างกายก็ไม่มีอยากได้จิตก็ไม่มีพอดูจิตก็แทงจิตเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติใหกับร่างกายเป็นสิ่งที่มีการ เ ป, ปลี่ยนปลงอยู่ในในจิตยอยู่เรื่อยพอพอเข้าใจแบบนี้แล้วกปว็ปล่อยวางทุกอย่างได้ป่อยปล่อยวางทุกอย่างได้จิตที่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆก็หายทุกข์ก็เป็นจิตที่สง บ, บจิตที่ที่ปราศจากความทุกข์จิตที่มีแต่ความสุขสม่ำเนะมออันนี้ก็ขั้นละมันมนู่ขั้นสุดท้ายขั้นรนะดับ อ า, าตผลด้วยการเจริญอ า, าตมพิจารณาละสังโยชน์เบื้องบนห้าข้อเดยกันาการมาาคาลาารระลปุปราคะอรุปราคะะอุทจะละมานะาละอวิชาอันนี้ก็พูดโดยสังเกตเ่นผู้ฟังอาจจะเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างว่า ม, มันอาจจะไกลกว่าที่จะไป เข้าใจได้ว่ามันเป็นแล้วที่จะต้องปฏิบัติต้องเข้าถึงตัวมันด้วยแต่นี้นก็พูดเปลี่ยนเพลงแต่ภาพโดยสังเกตให้เข้าใจว่าอริยมรรยาพจน์นี้เป็นอย่างไรซึ่งอริยมรรยาพจน์นี้จะมีได้นะในยุคที่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสัมมาทิฏเพราะไม่มีใครเข้าถึงอริยมรรยาพจน์ได้นอกจากพระพุทธเจ้า ก่อนทีนจะเจ้เจ้าจะตัดสินนี้ไม่มีภระระยะบุคคลแ ม, ม, ม้แต่องค์เดียวมีแต่ผู้ที่สามารถเข้าถึงรูปปัจจานแรูปปัจจานได้แต่รูปปัจจานรูปปัจจานนี้ถือว่าเป็นเป็นโลกียธรรมคือยังติดอยู่ในในใจพอ่อผียังติดในรูปปัจจพ่อรูปปพแต่พอได้ได้ได้ได้ไดไดไดอะไรเยอะมากอะไผมนี้ก็จะได้โลกุตตะธรรม ทที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ติดไม่ต้องจับเอาเวียนว่ายตายเกิดในในใจผมต่อไป mm hmm. ก็คืออริยมรรคอริยผลทึ่งยังมีได้มีมีปรากฏการนี้ได้ในศาสนาพุทธนในศาสนาที่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตัดสินถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสินก็ไม่มีใครจะรเลือกอริยามรรคอริยผ ยิงการที่พวกเราได้มีโอกาสได้ได้ยินได้ฟังตึ้งแดดได้ยินได้ฟังได้มาไดยามากไดยขนนี้มาถือเ่าเป็นบุญวาสนาอย่างยิ่งนะเพราะเป็นสิ่งที่เราจะไม่เคยไม่มีโอกาสได้ยินได้ฟังเลยถ้าไม่มีการตัดสัมฤิของพระพุทธเจ้าเป็นมาจําแจ้งเป็นเหตุเป็นผลมากเลยครับอาจารย์มันเป็นทำเป็นลําดับขั้นผมไม่ไม่เคยรู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลกันเป็นแบบนี้เลยครับอาจารย์ครับ อาจารย์ครับอย่างนี้พระโสดาบันนี้ก็ยังก็ยังมีกามอยู่ยังเป็นยังยังมีกามเต็มน้อยอยู่เหมือนปุทุชนน่ะครับเพียงแต่ว่าท่านมีศีลถ้าท่านจะเสกกามท่านจะไม่ไม่ทุ่ไม่ไปทําผิดข้อสารกรามเมรท่านจะไม่ทําผิดสี่ข้อสารจะเสกกามกับภรรยาคู่ครองตนครับวันนี้กระจ่างแจ้งมากครับอาจารย์กล่าวขอบพระคุณครับ เดี๋ยวผมขอโอกาสถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับอาจารย์ครับจากคุณสมพรครับบอกการทํางานที่ไม่มุ่งยศลาบบรรดาศักดิ์แต่ทําเพื่อยังชีพถือว่าคิดถูกต้องแล้วใช่ไหมครับพอใจเท่าที่มีความรู้ความสามารถครับก็มันสิ่งที่ถูกต้องส่วนหนึ่งเพราะชีวิตของเราเราต้องดูแลให้เล่นดูมันแต่เมื่อเราเล่นดูชีวิตแล้วเราควรยาชีวิตนี้ไปทําอะไรต่อ ถ้าเราไม่ไปหาลาภยศสัสเซินเราก็ต้องไปหาม า, มาผลใน่านนะไม่งั้นจะเสียชาติเกิดมาเปล่าเกิดมาแล้วก็ลามยศรัสเซินก็ไม่หามาผลในพานก็ไม่หาเราจะเราอยู่ได้ยังไงวนเราไม่ต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเนียถ้าไปทางโลกก็ต้องไปห า, า, ามาลาภยศรัสเซินต่ถ้ารได้ยินได้ฟังถามว่าลาภยศรัสเซินสูงเป็นทางสู่ความทุกข์เราก็ต้อง ล้วก็ต้องเปลีนทางแล้วก็ไปอีกทางหนึ่งทางที่พเจ้าวสอนให้ไปก็ไปทางของทานสิงภาวนาเพื่อ้เราได้ไปสู่วัคขนิทานคุณทศครับอยากให้ลูกเข้าถึงศาสนาเขาชอบพูดเกี่ยวกับคนไม่มีศาสนาอะไรเลยมากเขาค่อนข้างจะไปเข้ากับกิจการนักการเมืองรุ่นใหม่อยากขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ มันก็เป็นเรื่องของส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความฉลาดของคนน่นะพระเจ้าบอกวนะ่าทำพระเจ้านี้ต้องเป็นวิญญาชนเท่านั้นนะเป็นคนที่มีมีตัดคิดคิ ด, คดมีคิดแบบตักกะคิดแบบไม่เห็นมีผลถึงจะสามารถเข้าถึงาศาสนาพุทธได้คนถ้าคิดด้วยอารมณ์แล้วไม่มีทางที่จะเข้าห า, าศาสนาพุทธได้นาไนก็เป็นเรื่องของของของบุญกรรมของเขาก็ได้ว่า เขาได้ฝึกจิตของเขาให้เป็นจิตที่คิดด้วยตากะหรือคิดด้วยอารมณ์ถ้าเป็นคนที่คิดด้วยตากะนี้ถ้าได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับศาสนาผู้นจะเข้าใจจะเห็นคุณค่าแต่ถ้าคนที่คิดด้วยอารมณ์นี้จะไม่เข้าใจแล้วก็จะไ ม, ไม่ไม่เห็นคุณค่าน่าจะเป็นหลงผิดเห็นาศาสนากลายเป็นเครื่องเครื่องมองมงายต่าง นักศาสนาแต่ไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ศึกษาแต่เชื่อว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถรบบันดาลจริงหรือเให้กับผู้ที่ไปกราบสักการะได้อันนี้ก็เรื่องการใช้อารมณ์เป็นปัญใหญ่ใช้อารมณ์ความเชื่อไม่มีตัดกัไม่มีไม่มีผลถ้าอยากให้ลูกเข้าพ่อต้อเข้าเองน่าชวนลูกไปด้วยอย่างี้ไปจีพ่อต้องพ่อต้องพาไปถ้าเขายังตามถ้ายัางตามพ่ออยู่ อย่างปกติถ้าเขาโตเกินที่เขาจะตามลงได้ว่าถือว่ามันก็สุดวิสัยของเราที่จะไปทำอะไรไ ด, ได้ความจริงแล้วก็เป็นเหมือนคนสมยัยเด็กพวกนี้สมัยก่อนเราก็ไม่เคยมีาศาสนาถึงแม้เราจะเรียนลงาศาสนาคริสต์เราก็ไม่เราก็ไม่เชื่อเรื่องาศาสนาเราก็ยังคิดว่าเราเชื่อทางวิทยาศาสตร์แต่เนื่องจากว่าเราก็เคยคิดถึงเรื่องเรื่องเหตุเรื่องผลนอนไรตา่าง แล้วก็เห็นสภาพจิตใจเวลาที่เราทําดีเรามีความสุขใจเวลาที่เราทําไม่ดีเรามีความทุกข์ใจมันก็ทําให้เราเห็นตักกะบางอย่างที่าศาสนาสอนอยู่และอยากจะทําให้อยากจะเรียนรู้เรื่องศาสนามากขึ้นโดยเฉพาะาอย่างยิ่งไม่เห็นสภาพของราภแลสละสริเสริว่าเป็นเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่ทําให้เรามาักจะเ ก, กิดความทุกข์ มันก็เลยทําให้เราหมดศรัทธาในทางราบด้วยศสรรเสริญสูงมันก็เลยเป็นตัวทำได้ให้เรามาศึกษาทางศาสนาแทนเพราะมันเป็นความรู้อย่างหนึ่งที่เรายังไม่ได้ศึกษาอย่างอย่างอย่างใกล้ชิดอย่างลึกซึ้งมันก็เลยเป็นเรื่องาาท้าทายทําให้เราต้องไปค้นหาหนังสือเกี่ยวกับศาสนาตา่างๆศาสนาหลักของโลกมีอยู่หศาสนาด้วยกันน้คนั้นมีหนังสือเล่มหนึ่งก็รวบรวมมาสรุปให้อ่าน ศาสนาพูทศาสนาพิศิศาสนาเซนไอศาสนาเถ้าศาสนาคงจืจอคงเม่อะไรนี่ศาสนาอิสลามแล้วก็จะมีการ ม, มีเรื่องราควคามเป็นมาต่างต่างของแต่ละศาสนาแนละหลักคําสอนของแต่ละศาสนามาเราเปรียบเทียบกันดูเปรียบเทียบไปเปรียบเทียบ ม, มาก็เห็นว่าศาสนาพุทธนี้เป็นศาสนาที่มีทั้งเหตุมีทั้งผล มีทั้งบอกมีบอกโจทย์บอกปัญหาแล้วบอกวิธีแก้ปัญหาให้ด้วยมันก็ทําทำได้ไรยแล้วเนีทางศานสนาพุทธนี่เป็นทางที่ที่ที่ดีที่สุดว่าเป็นทางที่บอกปัญหาให้เราปัญหาก็คือความทุกข์แล้วบอกวิธีความทุกข์แก้แก้ความทุกข์ให้กับเราก็คือวิธีการปฏิบัติธรรมรับเราก็ไม่เคยก้าวหาศาสนามาตั้งแต่จกระทั่งนี่ยถึงวัน มันที่มันเห็นความทุกข์ในลาบลดสันสินสุขแล้วมันก็มันก็ไม่รู้จะไปทำอไรแล้วมันก็ต้องหันมาพึ่งทางาศาสนาด้าวยหมคนเมื่อก่อนแเร า, ก, ก, เรา ก, กลัวว่าจะเป็นคนโงงานเราเชื่อาศาสนาอะไรแต่แตพอมาศึกมาศึกษาได้หนังสือที่เป็นหนังสือที่มีเหตุมีผลมาให้เราอ่านเล่าความเป็นมาของแต่ละาศาสนาเล่าหลักการของของแต่ละาศาสนาว่าเขามีตับการการสอนอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องอะไร มันก็เลยทำให้มันเป็นวิชาการนะแล้วมันเ็เหมือนเป็นวิชาการเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์พี่แต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องจิตมันจิตศาสตร์อาจารย์ครับแล้วสมัยเด็กๆเลยที่พระอาจารย์อยู่กับคุณย่านี่ได้ได้ปฏิบัติธรรมได้ทําบุญทําทานไหมครับอาจารย์ก็คุณย่าก็ไปคนเชื่อศาสทธาไปคนจริงก็จไปกินเจปีหนึ่งก็จะไปกินเจแล้วทุกวันพระเธอก็จะกินเจเธอจะไม่กินเนื้อสัตว์ เราก็ต้องกินต่างตามนะแต่ไม่กินเนื้อวัวคนจีนนี่คนที่เขากินจีนเขาจะไม่กินเนื้อวัวแต่วันวันที่ไม่ได้กินเจเขาจะยังกินเนื้อสัตว์อื่นได้กินเนื้อหมูเนื้อไก่อะไรอยู่แตเนื้วัวนี่เขาไม่กินตอนเด็ดๆเราก็จะกินเนื้อวัวไม่เป็นเวลาจะไปน้องง่าก็กลัวเพราะน้องง่ามมีแต่กินเนื้อวัวจะทําไงว่าะบังครั้งตัวเองก็หาไปกินเนื้ออาหารที่เป็นเนื้อวัวพวกแฮมพวกเกิร์แมเกอร์อะไรก่อน คุณมันก้าวไมเก่งเดี๋ยวไม่้ไปที้นั่ไม่มีอาหารกินยัดอดตายได้ครับแต่ก็คุณย่าก็เนี่ยก็เป็นคนมันมันก่อนจก่งที่เชื่อเรื่องเรื่องการทําบุญกิจเจครับเวลาถงึงช่วงที่ช่วงกิจเจสิบวันไปก็ไปอยู่ที่หลองเจนะที่ไปนอนที่หลองเจเป็นดูมิวที่หลองเจแต่งชุดขาว ตอนเด็กผมก็ไปอย่างนั้นกับพอาจารย์แบม่ก็พาไปแต่ยชดขาวไปลงนิ้วไปดูนิ้วครับเป็นลงนิ้วดูถึงสทวาดวาล ง, งานิ้วมาเลยแต่เวดาครับครับคุณสมพรครับขอทราบการปฏิบัติธรรมวันวิสาขาบูชาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านครับอาจารย์มันก็แนวเดียวกันกับทางศีลอ น, นนะมันนั้นก็ทำอยู่ทำทานอย่างได้อย่างหนึ่งวิธี น, นี ทำ บ, บุญใส่บาตรก็ได้บริจาค ก, กันได้กับมูลนิธิที่เราศรัทธาก็ได้แล้วก็รักษาศีลศีลหน้าศีลแปดแล้วแต่กาลังของเราเพื่จะรักษาได้แล้วก็ใช้วันนั้นให้กับการภาวนา ก, การสตินั่งสมาธิแล้วก็ฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาคุณซันบอกว่าจะไปกราบหลวงพ่อสุชาติต้องทํำยังไงครับ เาก็มีนนการแสดงธรรมทุ ก, ว, ทกวันเสาร์ทิตย์ของพระตอนบ่ายสองโมงสามารถมาฟังเทศนท์ธรรมแล้วจะมาพบปะได้ส่วนวันธรรมดาก็ ม, มาพบปะหน้าตอนเช้าตอนบินตะบัดก็จะมีตะบัด ท, ทุกเช้าที่บ้านที่บ้านอำเภอซอยนาจอมเทียนสามสิบน้ำตาลเทนายนาจอมจอมเทียนสามสิบไปจบที่สามสิบสองเป็นเปินหลับตัวอยู่ถนนเมันแล้วก็ ช่วงบินดบาศแล้วหลังจากบินดบาศเสร็จก็กลับอาฉันที่ศาลาวันที่ไม่ใช่เป็นวันเสาร์อาทิตย์วันพระก็มาพบได้ที่ศาลาในช่วงเช้าแต่ไม่ควรเกินเก้าโมงครึ้นไม่ควรเกินเก้าโมเก้าครึ่งเพาหลังจากนั้นเรจะเสร็จภารกิจแล้วจะกลับเข้าไปกุติไปทําภารกิจส่วนตัวต่อไปก็พบได้ทุกวันเพียงแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดวันพระก็ต้องพบมาเจอตอนบ่ายที่หน้าคุติ มาฟังเทศฟังธรรมส่วนวันวันธรรมดาวันที่ไม่ใช่วันเสาร์ที่วันพระวันอยู่ราช ก, การก็ต้องก็ต้องมาพบตอนใส่บายาก็ได้ถ้าอยากจะใส่บาตที่บ้านอำเภอหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องมาที่ศาลาตามมาจากกลับจากวินตบาบ่าก็จะมาฉันที่ศาลาก็มาได้ตั้งแต่ช่วงเจ็ดมงคึ่งไปถึงเก้าโมงถ้าอยากจะมาใส่บาตที่สาลาก็ต้องมากแบบ่อนแปดโ ถ้าจะมาพบปะโดยที่อยากจะสนทนารำก็บางวันมาประมาณเก้าโมงแล้วจะยันเสร็จคุณสมพรครับถาวายสังฆทานข้าวสารหลังเที่ยงแก่พระอาจารย์นับข้าวสารเป็นอาหารหลังเที่ยงไปหรือเปล่าครับหรือว่าข้าวสารไม่นับเป็นข้าปาอาหารครับคือมันเป็นแต่ยแตวิธีการรับของพระนี่มีสองรูปแบบนับกับมือเรียกว่าประเคนนับประเคนนับแบบไม่นับประเคนคือนับซ่า เนี่ยอาหารที่พระรับประเคสได้เป็นอาหารที่ถ้าเป็นนักพวกอาหารก็ต้องเป็นอาหารที่ต้องต้องฉันในเวลานั้นเลยก็รับประเคสได้แต่ถ้าเป็นอาหารที่ได้เก็บไว้วันต่อไปอย่างนี้ก็รับประเคสไม่ได้ต้องรับทราบใหยาโ ย, ยมหวางไว้แล้วรับทราบแล้วก็เหมือนกันแล้วก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหาเขาเก็บไว้ให้ ส่วนใหญ่นี้จะใช้กับวัดป่ามากกว่าเพราะวัดป่านี้บางทีอาหารไม่ไม่สม่ำเสมอแล้วก็อยู่กับชาวบ้านเขาก็ไม่ค่อยมีอะไรถวายพระงั้นญาติโยมที่มาจากที่อุณมสมบูรณ์มาจากเมืองเนี้ยเขาก็มักจะเอาอาหารของอาหารแห้งมาถวายให้ทิ้งไว้ในวัดให้วัดเก็บเอาไว้ข้าวสารมามา้มาปลากระป๋องอะไรพวกนี้เพื่อวันที่พระไปเป็นจ่าบาทแล้วไม่พอฉัน ก็จะได้ให้ลูกศิษย์ทำอาหารนี่มาเสิร์ฟได้ถวายได้เพียงแต่ว่าวิธีถวายของที่พระรับกับมือไม่ได้นี่ก็ให้ถวายแบบให้ท่านรับทราบของที่ทรับกับมือได้ก็ถวายกับมือได้ต้องต้องแยกออกต้องต้องรู้จักการที่จะถวายให้ของให้พระที่ถูกพระวินัยนี้เราต้องศึกษาว่าอันไหนถวายกับมือได้อนไหนถวายกับมือไม่ได้ คุณมณีนุชครับนั่งสมาธิภาวนาแล้วพอจิตนิ่งรู้สึกร่างกายร้อนมีเหงื่อออกแต่พอออกมาจากสมาธิแล้วกลับไปกติแบบนี้ก็จะอะไรครก็ปกติเวลาเรานั่งในท่าหนั่งเนี่ยมันก็มันก็จะร้อนส่วนนึงอีกส่วนหนึ่งมันเกิดจากเกิดจากการต่อสู้ระหว่างทางกับที่เหลนก็ได้ทิเลนนั้นมันชอบนั่งมันนิ่ ง, งๆเฉยๆมันจะต่อสู้มันจะสร้างความตึงเครียดให้กับให้กับใจซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อ ต่อร่างกายก็ได้แต่โดยหลักแล้วเวลาเราอยู่ในท่าห น, น้านีค์มันก็จะร้อนร่างกายมันจะร้อนก่าเวลาเราอยู่ในท่าร้อนท่าร้อนในร่างกายอุณหภูมิจ ะ, จะลดลง อ, อยู่ในท่าห น, น, น, น้าองค์อุณหภูมิจะขึ้นคุณมาริสาครับเวลาทําสมาธิมีความสุขมากค่ะสุขจากความเงียบสงบทําให้รู้เลยว่าทําไมพระถึงไม่อยากสึก มีหลายคนไม่เข้าใจพวกเรียนคีย์บอร์ดทั้งหลายบอกว่าเป็นพระเพราะขี้เกียจทำอาหากินพวกนี้เขาจะบาปไหมเจ้าค้าพระอาจารย์ไม่บาปหรอกเขาเพียงแต่ว่าเขาก็เขาก็เกจะหลงอยู่กับความงอ ข, ของเขาจะทำให้เขาไม่มีโอกาสที่จะได้โผล่ขึ้นมาเขาเป็นพวกบัวที่อยู่ใต้อยู่โคนตมเขาจะไม่มีโอกาสที่จะเลื่อเป็นบัวนือน า, นาขึ้นมาแบ่งบ้านออกมาได้เขาเป็นเรื่องกรรของเขาไปเท่านั้น น่าสงสารมากกว่าพวกนี้เป็นพวกที่น่าสงสารคิดตอนเองนี่มโม่แสงโง่แต่คิดว่าตอนเองฉลาดนับไปว่าคนฉลาดคนโง่งไปว่าคนฉลาดคุณสมพรครับควรมุ่งปริญญาทางธรรมมากกว่าไปมุ่งปริญญาทางโลกเข้าใจอย่างนี้ถือว่าเข้าใจธรรมถึงทําได้ถูกต้องแล้วหรือยังครับได้เพราะปริญญาทางโลกดับความทุกข์ไม่ได้ แล้วาไปกับใจไม่ได้ปริญญาทางธรรมนี้ใช้ดับความทุกข์ใจได้และเอาติดตัวไปทําต่อได้ถ้าอยากทําให้จบในภพในชาตินี้ก็ไปทําต่อได้ไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ในภพหน้าชาตินะเช่นท่านได้สวดดาวันแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปเริ่มต้นไปเรียนสดาวันใหม่ก็ไปในขั้นสกิรดาคามีต่อได้เลยคุณพีซครับ หลวงตาพูดถึงสมาธิหัวโอในหนังสือแว่นดวงใจหมายความว่าอะไรคะตอนนี้เราก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่แน่ใจไม่ไม่ตอบเดียวกันขออภัยด้วยเราก็ไม่ได้ถามท่านเหมืันว่าท่านหมายความว่าอะไรถ้าให้เดาวนะท่ายาว่าอาจจะเป็นสมาธิแบบไม่มีสติสมาธิหัวโตสมาธิหลับเนี่ยสมาธิหัวโอนั่นหลับถ้า ถ้าเข้าใจถึงนะจะไม่ถูกก็ได้ถึงบอกไม่กล้าไม่กล้าตอบคุณวีนาครับคนธรรมดาจะไปถึงอริยผลได้ไหมคะคือสามารถเป็นอริยบุคคลได้ต้องปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาถูกต้องไหมคะได้การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้การเห็นคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาเข้าไปได้แต่ถ้าคนไม่เห็นคุณค่าของศีลสมาธิปัญญาเห็นว่าทําให้คนขี้เกียจเข้าไปไม่ได้ เขานห่ือยู่เฉยๆหนึ่งสินก็ไม่ทำอะไรสมราธิก็นั่งเฉยๆปัญญาก็มีแต่ฟังศึกษามันก็ไม่ได้ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ทางโลกไม่มีเลยถ้ามองเห็นว่าทางนี้ไม่มีคุณค่าเขาก็จะไม่มาทานี้แต่ถ้าเ้าใจว่าสิสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือที่จะดับความความทุกข์ใจความเครียดต่างๆอันนี้เขาก็จะมาทางนี้นคุณมาลีครับ ที่พระมีกล่าวคำต่อท้ายว่าด็อกเตอร์มีความสำคัญทางธรรมแบบไหนคะเป็นยังเป็นกิเลสอยู่เขายังไม่เข้าใจถ้าเป็นพระแล้สละแลวสล ะ, ะ, ะยุทธทางโลกไปหมดเลยแแต่ชื่อคุณหมออะไรนี้ก็ไม่มีแล้วเพราะว่ามาบวชแล้วอุปชาจะให้นำสกุลใหม่ให้ชื่อใหม่อย่างเราก็ได้อภิชาโตมาแล้วก็ใช้กับชื่อชื่อแรกนำสกุลเก่าให้แม่ใช้นะ เราถือว่าไม่ได้เป็นคนในครอบครัว่ะเป็นคนที่ออกจากเรือนละเราใช้นามสกุลของพระอุปชาพระอุปชามากห้แล้วก็ต้องใช้พาะสุชาติพิชาตโตไม่ถึงแม้เราจะจบปริญญาแล้วก็จะวงเล็บว่าจบปริญญาขั้นนั้นขั้นนี้ไม่ได้ปริญญาตีปอตีอะไรไม่ได้อันนี้เป็นเป็นกิเลสทางโลกที่ยังคนที่เขาเขายัางไม่เข้าใจ ว่ามันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของของของพระก็ดูครูบาจารย์ต่างๆท่านไม่มีท่านไม่มีอะไรนะตอนนี้ท่านจะมีแต่เพียงแค่ชื่อน้องปูมงป่มั่นคนยุทธาตโตเนี่ยน้งปู่สาวการตัดสีโลเนี่ยท่านก็นมีชื่อเก่าแล้วก็ตามด้วยนามสกุลใหม่เรียกว่าฉายาของพระท่านนี้ถ้าไม่ได้ใส่ถ้าเป็นดรัฟเตอร์ไม่เป็นหลองราชวงศ์หลวเจ้าอะไรเขาก็ไม่ได้ใส่เข้าไป แต่บางคนไม่เข้าใจน้อยมีไกรสอนแครบอกก็ใส่เข้าไปคุณประชาครับการกระทํากรรมชั่วโดยไม่มีเจตนากับการกระทําชั่วโดยไม่มีหิริโอต ป, ปะกับการกระทําชั่วโดยไม่มีสติเมายาต่างกันหรือไม่ครับจะมีวิบากกรรมต่างกันไหมครับมันถ้าไม่มีเจตนามันก็ไม่ถือว่าบาป เช่นเราขับรถไปแล้วสุนัขวิ่งตัดหน้ารถดังแล้วเราชนมันตายเรื่องกระดูกบาดอย่างนี้ก็ไม่บาดการนนะั้นถ้าไปชนหมาด้วยความไม่มีความอายไม่มีความกลัวบาดเพ่อเป็นความสนุกเห็นหมามันเดินอยู่ดีๆก็ขับไปชนมันนี้อันนี้ก็บาดการทําชัว่วอะไรไม่มีสติก็มันถึงว่าไม่บาดเพราะมันก็เป็นแบบเรื่องเพศวิสัยเหมือนกันขับไปแล้วเมาอย่างงี้เมาแล้วขับ ไม่มีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาแล้วไม่ถือว่าบาปคุณมาลิสาครับ <c oughs> คนเราเกิดตายมาหลายแสนล้านภพชาติอยู่กับความทุกขมาตลอดหลายคนทนไม่ได้กับความทุกจากความผิดหวังต่างๆความรักเศรษฐกิจหน้าที่การงานกินกามเกียดหลายคนคิดฆ่าตัวตายอยากให้กำลังใจกับหลายๆคนเพราะสิ่งที่อยากเรื่องเกิดแก่เจ็บตายพระศ า, าสดายังแก้ปัญหาให้ได้ เรื่องปัญหาต่างๆเป็นเรื่องเล็กน้อยขอโอวาทรมพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจคนที่กำลังจะคิดสั้นครับก็มอนถ้าถึงขีดแล้วมันก็เหมือนกับเป็นคนไข้เขาห้องไ c u ยนละ้วใช่ไ <parce> ห <Made> มนั้นต้องสอนคนที่ยังไม่คิดชาติตัวตายนะทีก่นถ้าคนคิดถึงไปถึงจุดแล้วเนามันก็ยากไปยูงที่หน้าผาแล้วไปคอยไปพูดอะไรมัน <cartoon> ยังต้องสอนคนที่ยังไม่มีปความรู้พอให้คิดถึงว่าเราอยู่ในโลกของตายรักนะโลกของความไมแน่นอนน้ำล้ามยึดเสื่เสริญศกนี่มันมีจรรญาีนเสื่อมได้อย่าประมาทอย่าไปยึดไปติดกับมันะพอวันใดวันดีวันไหนขึ้นหนึ่งมันจากเราไปมันไม่มีให้มันมันอาจจะทําให้เราคิดสั้นได้ถ้าเราไม่มีที่ยึดเหนีหนจจ่ยวทางด้านจิตใจเลยการให้เรามาที่เครื่องยึดเหนีหนจจ่ยวทางด้านจิตใจคือการ ปฏิบัติทานศีลภาวนาให้บ้างฟังเ้นฟังธรรมให้เรารู้ถึงเรื่องตายรักบ้า ง, เ ร, ง, เ, รงเรื่องของการไม่มีอะไรที่แท้ แ, ทแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่วันนี้มันอาจจะหมดไปทันทีทันใดก็ได้เห็นไหมบางคนเป็นดาวราใช่มมีใช้ของรู้ของลาถูกหมายจับขึ้นมาปับ๊บต้องไปติดคุกนี่ย ทรัพสมบัติารามดสรเสื่อที่ไกยอาศัยอยู่ทุกวันไ ม, ไ, มไม่สามารถเข้าถึงได้แล้วเพราะถูกแยกออกด้วยกฎหมายจยาน้าที่ตำรวจเชิญไปอยู่ในคุกตารางตอนนั้นแะจะรู้สึกว่าความเครียดเกิดขึ้นอย่างไรถ้าไม่เตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ดาวน์ทึ้งบาคนก็คิดอยากจะฆ่า ต, ตัวตายเพราะฉะนั้นต้องต้องสอนคนที่ยังยังยังไม่ไปถึงจุดนั้นจะดีกว่า ถึงจุดนั้นก็เหมือนกับคนที่คนไข้เขา ICU ้าไอซีอยู่ละโอกาสที่จะรอดนี้เหมือนมีน้อยมากให้ความรู้ก่อนดีกว่าให้ความรู้ก่อนที่เขายัางยังหลงอยู่กับราบยุ ส, สรเสินสว่าอย่าหลงมากกันไปนะให้คิดตึงตายรับา้างให้คิดถึงความไม่เที่ยแท้แน่นอนนะครับ ห, หาวิธีวิธีที่จะรับกับความแม้เที่ยแท้แน่นอนถ้าเกิดเราต้องสูญเสียมันเราจะอยู่กับมัน เาจะอยู่แบบไม่มีได้อย่างไยก็ต้องมาฝึกการปฏิบัติทานสีพวนานไปอยู่วัดไม่ถือสีแต่ไปอยู่แบบไม่มีอะไรบ้างอยู่แบบคนจนนะกินเนื้อเดียวนอนกับนอนกับเตียงที่ไม่ที่ไม่มีฟูกนอนกับพื้อนอะไรอุดกรว์อย่างๆไม่มีไม่มีของรูหราให้เสพไม่มีของฟุ่มเฟือยให้เสพ อนนี้ก็หามาทําทําตัวให้จนมากอยู่แบบคนสิ้นเนืน้อปราดาวตัวบ้างเดียวต่อไปเวลาถ้าเกิดเหตุการณ์ที่เราจะทําเจอแบบสิ้นเนืน้อป่าดาตัวเราจะได้ไม่เสียหลักและยังสามารถนํานื้ชีวิตของเราต่อไปได้คุณแบงค์ครับตอนออกจากสมาธิพิจารณาภาพกระดูกจนสลายเป็นผงดินแล้วควรภาวนาอย่างไรต่อครับก็ เราไปทำข้สอสอบเดือแล้วเราปล่อยวางร่างกายนด้ไหมเราเยอมให้ร่างกายมันตายนะ้กลัวตายเรายังกลัวตายอยู่หรือเปล่างั้นเมื่อร่างกายมันร่างกายกั็นผงดินไหมะเราตองถามตัวเองก็ไปรูสึกอย่างว่าเรายังกลัวตายไหมครับถ้ากลัวตายแสดงว่าการที่เราเห็นร่างกายเป็นผ ง, นงนนนดินก็าา ย, นยังไม่มีพุ่นประโยชน์อะไรคุณวิไลครับ การสอบถามว่าทําแซนวิชเด็ดทูน่าถวายพระได้ใช่ไหมคะและสอบถามอีกว่าถ้าข้าพเจ้าไม่ได้ถวายอาหารคาวแต่ถวายน้ํามะพร้าวน้ําส้มขันได้ใช่ไหมคะนอกแต่เวลาที่จะถวายถ้าเป็นช่วงที่ท่านฉันอาหารอย่างฉันอาหารเช้าหรือาหารเทนก็ถวายได้ทุกอย่างอะไรที่เป็นอะไรที่ที่ไม่มีอมีข้อห้ามอย่างเดียวคือห้ามถวายของที่ไม่สุก เช่นไข่ดาวไข่ดาวนี่ที่ยังไม่สุกนี่ยังยังไขย่ยังแดงอยู่ยังยังเหลวอยู่นี่ต้องต้องให้เป็นแข็งหมดมนั่งไข่ไข่เจียวอย่างนี้ได้ให้มันสุกเป็นที่เนื้อสัตว์ก็ต้องอย่าให้มันเป็นแบบอ่ายังมีเลือดติดอยู่นี่ต้องให้มันเป็นสุกร้อยเอร์เซ็นพวกอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ที่ ท, ที่ที่สมควรุญ่จให้พร์ฉันได้นะ แล้วก็ห้ามถวา ย, วายเนื้อสัตว์ที่เป็นงเนื้อสัตว์เด็กนีก็ไม่ได้เขาต้องให้เป็นเนื้อสุก ข, ขึ้นมาไข่ก็ต้องสุกแต่ท่านสามารถถวายได้ทุกอย่างาน้ำพราวน้ำสมกันน้ำอะไรจิปาสะถ้าเป็นช่วงที่ท่านถวายอาหารอยู่นะช่วงนั้นท่านรับอาหารทุกอย่างได้แต่ถ้าหลังจากที่มันวลาวเนี่ยถ้าถาวายผู้อาหาร ของดื่มนี่ต้ อ, ต, อต้องต้องดูว่าส่วนไหนที่พระเจ้าส่วนอนุญาตให้พภาถวายให้ฉันได้พระเจ้าอนุญาตให้พภาฉันในตอนบ่ายได้ก็คือพวกที่เป็นยายารักษาโรคต่างๆถวายได้น้ําพึ่งได้น้ําตาลได้น้ําอ้อยพวกนี้ได้น้ํามันน้ํามันได้น้ํามันที่เราบางทีเขาสมัยก่อนก็จจะมากิน ไว้สำหรับเคลือกบกระพาะนะที่กระเพาะพ่ อ, พอคันวา่าจะมีโกกรคกระพาะขึ้นมาอันนี้การการระย้าเนื่งองจาถ้าเป็นน้ําผลไม้ก็ต้องเป็นน้ําผลไม้ที่ที่คั้นโดยที่ไม่มีเนื้อติดอยู่ต้องมีที่กรองเอาผ้ามากรยายกเนื้อออกจากน้ำนั้นต้องเป็นผลไม้ที่ไม่ใหญ่กว่ากลับปั้น เป็นผลไม้ที่เป็นใหญ่กว่าก้อนเช่นแตงโมงมะพร้าวนี่ไม่ได้น้ำฉันน้ามันไม่ได้ต้องเป็นลูกขนาดเล็กกว่าแล้วเท่ากับบ้านเช่นเช่นส้มนี้ได้อยู่องุ่นแอปเปิ้ลอะไรยังแต่ว่าได้อยู่แต่ต้องกลองไม่ให้มีเนื้อติดครับคุณวันเพลญครับเดินตามมัสมีองแปดผู้ปฏิบัติที่เข้าถึงโสดาปฏิมัค จะเกิดหลายภพชาติไหมหเจ้าค้ารูกเข้าใจว่าปิดอบายได้ครับปิดอบายได้ถ้าสมมุติว่าถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเกิดมีเหตุกระ ท, รทำฐานทําให้ตายไปก็าสามารถกลับมาทําต่อได้ไม่เกินเจ็ดเจ็ดชาติน่าจะบรรลุทำที่สูงกว่าบรรลุถึงนิพพานได้ไม่มากไม่เกินเจ็ดชาติเพราะบางคนเราบางทีอาจจะมีอุบัติเหตุใช่ไหม บรรลุเป็นพระสสดาบันนั่งรถกจับบ้านรถพิชความตายอย่างนี้ยังไม่สามารถทําปฏิบัติขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ได้ก็ไปทําต่อชาตินาได้ยังมีโอกาสทําต่อได้อีกเจ็ดชาติจะกลับมาเกินอย่างมากอีกเจ็ดชาติเป็นอย่างมากก็จะสามารถบรรลุถึงขั้นสูงสุดได้พระอาจารย์ครับในคําถามนี้เขาพูดว่าโสดาปฏิมรักอย่างนี้อย่างนี้ก็ถือเป็นโสดาบันด้วยไหมครับพระอาจารย์ อ๋อยังก็ถ้าก็ยังถือว่ายัางเป็นผู้ที่กําลังเจริญมากอยู่ยังไม่ได้ดเป็นพระเสด็จแล้วนั้นอันยังนี้ก็ยังไม่ถือว่าเป็นพระนะครับผมคุเป็นผู้ที่กําลังจะเข้าสู่ความเป็นพระอะไรอันนี้ครับผมคุกําลังทําข้อสอบอยู่แต่ยังยังไม่ผ่านอาจจะต้องทําหลายอันนี้กินหลายภบหลายชาติก็แล้วแต่ความสามารถอขอภัยด้วยคอันนี้ยังไม่กรับยังเป็นยังปิปดอบายไม่ได้ ในการปฏแลกมาบายยังเป็นปุถุชนอยู่ครับยังเป็นลิสิตนักศึกษาอยู่ยังไม่ได้เป็นบัณฑิตโอครับอย่างวจะเห็นภาพครับคุณมาริสาครับความสุขที่เกิดจากความสงบที่อยู่กับลมหายใจกับตัวเองไม่มีออปชันเยอะไม่พึ่งพิงปัจจัยภายนอกและสิ่งแวดล้อมต่างๆอยากรู้ว่าสุขที่ละเอียดและปราณีตยิ่งกว่าการทําสมาธิมีไหมเจ้าค่ะก็ มันก็จะเรียกว่าเม ก, ก็คือปัญญาเพราะว่าความสุขที่ละเอียดที่ที่ที่ยั่ำยืนที่ถาวรก็คือความสุขที่เกิดจากการเจริญปัญญาเพื่อละความอยากลดกิเลตัหาให้หมดไปจากใจเพราะว่าความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธิด้วยด้วยสตินี้มันเป็นความสุขละเอียดที่ชั่วคราวพอถอนออกจากสมาธิมาถ้าไม่เจริญสติต่อจิตก็จะเริ่ม เรื่กิดอาการความกิเลสตัณหาก็จะแล้วออกมาสร้างความมุ่นหมายให้กับใจได้แต่ถ้าใช้ปัญญากําจัด ก, กิเลสตัณหาได้เวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิก็เหมือนกัอยู่ในสมาธิเพราะไม่มีตัวที่จะมาสร้างความมุ่นหมายให้กับใจจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามครับกลับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะจะวางใจใช้หลักอริยมรรคอย่างไรเจ้าคะหากเราต้องช่วยเหลือน้อง ซึ่งเป็นบุคคลที่นําความทุกข์มาให้ตลอดและจําเป็นต้องช่วยเพราะไม่ช่วยก็ทุกข์แต่ก็ช่วยด้วยความทุกข์ใจเจ um ้าค่ะเคยแนะนําให้ศึกษาทางธรรมปฏิบ uh uh> uh uh> uh ัต uh> uh> uh> ิธรรมน้องก็ไม่สามารถปฏิบัติได้ครับก็ช่วยไปตามตามความเหมาะสมตามกําลังของเราถ้าเราช่วยเขาได้ก็ช่วยไปหรือว่าเป็นความเมตตาเป็นการแผ่เมตตาให้กับเขาหรือแผ่ความกรุณา ไม่บรรเทาความทุกอย่างเกิดขอะไรกับเขาก็เป็นถือว่าเป็นการทําบุญไปถ้า เ, าเราคิดว่าเป็นการทําบุญแล้วผู้ที่ได้รับประโยชน์มากกว่าเขาก็คือเราเนีเราจะได้บุญเขาจะได้สิ่งของที่เราช่วยเขาไปแต่เราได้มีโอกาสทําบุญเราก็อาจะขอบคุณเ้าที่มีเขาที่มาเป็นตัวที่ทําให้เราต้องทําบุญถ้าไม่มีเขาเราอาจจะหหรเงินโหงทองไม่เอาไปใช้ไปช่วยเหลือใครเราก็จะไม่ได้บุญก็มองมองคลิก พลิกเิีเยตให้เป็นโอกาสพลิกความทุกข์ให้เป็นเป็นความสุขว่าถ้าไม่มีเขาเราก็จะไม่ได้ทำบุญนะ <c oughs> พอมีเขาเราก็ต้องทาบุญแล้วไม่ใช่เป็นการถูกบงกังคับให้ทาแต่เราก็ทาเราก็จะได้บุญครับคุณมาริสาครับโลกร้อนมากขึ้นฝนฟ้าอากาศไม่ปกติมีความสัมพันธ์กับคนเราไม่มีศีลธรรมหรือศีลทําเสื่อมลงไหมเจ้าคะ่ะ ก็มีส่วนก็ไม่ได้อยู่ที่สิลทํามแตอยู่ที่อยู่ที่กิเลสมากกว่าเนี่ยปัญหาของรุกร้อนนี่ก็จากกิเลสการมักการมาราคะเนี่ยอยากจะหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสผงศภาเนี่ยเราก็เลยหาสร้างเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆมาเพื่อให้เราได้มีความสุขจากจากรูปเสียงกิ่นรที่เราเสพสัมผัส หนื่งตอบสนองปัญหาความอยากที่เราอยากจะไปนู่นมานี้อยากจะท่องเที่ยวอยากจะเดินทางไปนู่นมานี้ก็ต้องใช้ก็ต้องใช้เครื่องบินหรือใช้รถยนต์ก็ต้องใช้น้ํำมันก็ผลิตเอ่อพวกคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแล้วเราก็อยากจะใช้เครื่องไม้อยู่แบบสุขสบายมีเครื่องใช้ต่างๆมาอาํานวยความสุขมีตู้เย็นมีแล้วก็ต้องมีการผลิตสินค้าเหล่านี้ การผลิตสินค้าต่างๆมันก็ต้องใช้เครื่องจักรมันต้องใช้น้ํามันมันก็ผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาแต่ถ้าเราอยู่แบบสมัยก่อนอยู่แบบสมัยที่ไม่มีอุตสาหกรรมอยู่แบบธรรมชาติเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องการผลิตคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาสมัยก่อนสมัยที่เราเป็นเด็กๆเนี่รถยนต์ก็ไม่คยมีอะไรก็ไปพายเรือกันไปมีเรือขอาวเป็นไปหมดนั่งพายเรือกันไป เรื่องปัญหาโลกร้อนในยุคนั้นไม่มีสมัยยุคเด็กๆคาว่าโลกร้อนนี่ไม่มีปรากฏแล้วก็เรื่องเรื่องฝุ่น MP หรือ PM สามสองจุด้าไนี่ไม่มีเพราะตนุดเราอยู่กับธรรมชาติอยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบสมถะแต่พอเริ่มมีมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมขึ้นมานี่ะตัวปัญหาตัวใหญ่ก็คืออุตสาหกรรมเนี่ย ที่มีการผลิตสินค้าต่าง้ต่างๆต่า ง, าง่รถยนต์รถไฟรเรืออะไรต่างๆนี้มันต้องใช้น้ํามันในการผลิตทนะั้งนั้นแล้วนอกจากการใช้น้ํามันในการผลิตแล้วยังต้องใช้การขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้รถยนต์เครื่องบินอะไรมันก็ต้องใช้น้ํามันทั้งนั้นนะมันก็เลยช่วยกันผลิตสารไอรการคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นมาทําให้ทําให้โลกร้อนขึ้นเพราะบรรยากาศมันถูกคุกนึกคาร์บอนไดออกไซด์ ทำไม้ไม่สามารถทําให้ความร้อนที่ระบายออกจากผิวโลกออกไปได้ในในอากาศมันก็มันก็ถูกมันอยู่ในเลืนกระจกที่เขาเรียกเปรียบเทียบเรือนกระจกเนี่ยมันก็จะเรืนกระจกก็กะจะหาขึ้นเรื่อยๆเพราะคาร์บอนไดาอกไเราใช้มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ตอนนี้ก็มีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้น้ํามันเพื่อลดคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้มาใช้ทางด้านไฟฟ้าต่ตางๆ ไฟฟ้าพลังงานไฟไฟฟ้าพลังแสยแดดไฟฟ้าลมอไแ่ขึ้นมาแทนก็ไม่รู้จะทันการหรือเปล่านักวิทยาศาสตร์เขาคำนวนว่ามนุษย์เรานี้มันใกล้จะถึงขีดที่จะกลับคืนสู่สภาพแบบเดิมไม่ได้ใเพราะว่ามั น, ม, น, ม, นมันเกินกว่าที่จะย้อนฟื้นฟูธรรมชาติให้เป็นเหมือนสมัยก่อนไม่ได้นะมันมีแต่จะทาให้รุนแรงขึ้นไปเรื่อย อันนี้ก็เป็นเรืุองวิทยาศาสต ร, ร์นะไม่ทราบเงลยหลวงก็มาอยู่ในเรื่องธรรมะวันนี้ถามมาก็ตอบไปครับ <c ười> คุณหลินครับ <c ười> เดิมเป็นนักรำนักดนตรีร่างกายโดนตักอัตโนมัติไม่ขยับเหมือนเป็นต้นไม้ต้องนอนแยกกับสามีเพราะเห็นสามีเหมือนผีตัวหนึ่งหมดความอยากทางกามอัตโนมัติก่อนหน้าขมคืนสามี <c ười> เพราะอยากมีลูกปัจจุบันต้องนอนแยกอัตโนมัติปัจจุบันความฝันหนูหายไปเจ้าค่ะ รูปการไม่เที่ยของร่างกายมันก็เลยทําให้เราเปลี่ยนไปครับคุณไอวอรี่ครับทําบุญทําทานสวดมนต์ในวันพระกับวันธรรมดาผลบุญแตกต่างกันไหมคะไม่ต่างหรอกอยู่ที่จะจะต่างกอยู่ที่ทํามากทําน้อยทํำมากมันก็จะต่างความว่าทําน้อยแต่ทำวันไหนเหมือนกันทุกวันอวันพระวันธรรมดานี่เป็นวันที่เราสมมติกันขึ้นมา ความจริงมันเหมือนกันทุกวันนะมันมี24ชั่วโมงมีมือ่ น, ม, นมีแจ้งมีการนวดมีแต่เราไปกำหนดไปสมมุดมัดขึ้นมาวันนี้เป็นวันธรรมดาวันนี้เป็นรรวันพระานเองคุณวรพัฒ์ครับการนมัรสการพระอาจารย์ครับทำไมพระที่เคยเศษเมถุนจึงไม่สามารถเข้าถึงพระอริยบุคคลได้ครับและถ้าศึกออกมาแล้วเป็นครวาจะสามารถเข้าถึงพระอริยบุคคลได้ไหมครับ พราะญาติเหนว่า เ, เพื่อมันเสด็จเมนทูแล้วมันติดมันติดแล้วมันจะไม่อยากจะแรมปฏิบัติธรรมมันอยากจะเสด็จเมนทูมากกว่าอยากจะร่วมหลับนอนร่วมเพศมากกว่ า, างัการจะอยู่เป็นพระก็ไม่เกิประโยชน์อะไรเพราะใจมันไม่ได้อยากจะเป็นพระใจมันอยากจะเป็นคารวะทุกองเลย คุณพิไลวันครับเป็นติ่งไอดอลเห็นความอยากให้ไอดอลที่เราชอบประสบความสําเร็จโดยช่วยซื้อเพลงหรือไปดูคอนเสิร์ตเป็นการมาราคะไมคา้าเห็นความตั้งใจและความพยายามของศิลปินทาให่อยากสนับสนุนครับก็ถ้าเราอยากไปดูมันก็มัน ก, มนก็มันก็เป็นการมาราค้อย่างกรารรับตันหาอย่างอย่างไวดูอยากไว้ฟังับแต่ถ้าอยากจะทำมุลก็ไม่ต้องไปก็ได้โอนเงินไปให้เขาไป อย่นี่ก็ได้มันก็เป็นเป็นได้ทั้งสองอยา่างเราอยากจะทําบุญประสาบสนุนเขาแล้วเราไม่ต้องการที่จะไปเสกกลางเราก็อยาไปดูคอนเสิร์ตเขาเราซื้อตั๋วแล้วก็ไม่ต้องไปก็ได้ซื้อตั๋วแล้วก็หายควว่าเราได้ทําบุญกับเขาไปอาจารย์ซื้อตั๋วยากมากเลยนะครับ<笑><笑>เวลากดซื้อตั๋วนี่ยากมากยากเลยถ้าเ ส, ส้นที่ดังๆเลยครับอาจารย์ครับเคยพยายามกดให้ลูกโอ้โหยากจริงเหรอ ก็เป็นสลับส่ว่คนที่เขามีความสําเร็จทําไมลนะ่ะใช่ไหมบางทีถ้ายาก็แสดงว่าเขาเขาไม่เดือดร้อนนั่นแหละครับนี่เขาพูดถึงคนที่ไม่ไม่สําเร็จนะั่งอยากจะช่วยให้เขาประสบการสำเร็จไปไ ป, ไปดูคอนเสืร์ตของเก่เาครับคุณมาริสาครับคนเราสมัยนี้ใจร้อนเวลามีปัญหาชอบวิ่งบนบานสารกล่าวและสะดกดเคราะห์ทางสายศาสตร์ เพราะเร็วกว่าทันใจกว่าและถูกใจทําให้วัตถุมงคลเกลื่อนบ้านเมืองมีมากเกินความจําเป็นมากกว่าฟังธรรมะและใช้ธรรมแก้ปัญหาใช่ไหมครับอาจารย์ได้คนเราต้องการอะไรง่ายๆวิธีง่ายก็คือเนี่ยวิธีการไปทำไปบนสาลขอสิ่งนั้นสิ่งนี้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆจะได้ไม่ได้เปนเวลายอย่างไมอยก็ทําให้สบายใจแล้วได้ทํำนะทําไม่ได้ก็ถือว่ายังไม่ถึงเวลา ก็หลอไปก่อนรือไปหาเจ้าใหม่ถ้าไปเจ้านี้ไม่ได้ก็ไปไปเจ้าหนึ่งไปวันนี้ไม่ได้ก็ไปวันหนึ่งขอไปเรื่อยๆจำกัดจะได้คุณพสิทธิ์ครับขอโอกาสครับอวิชชานี้คือเราต้องรู้ปฏิจจส ม, มุปบาทด้วยใช่ไหมครับไม่ต้องรู้ปฏิญาส ม, มุปบาทให้รู้ไตรลักษณ์หรือวาระสัจสี คุณเดอะมอร์นิงสตาครับชอบจินตนาการว่าตัวเองตายเป็นศพอยู่ในโรงตัวเย็นปากซี่ต่อมาร่างอืดขึ้นมีหนอนช้ยและอีกต่างๆต่อไปแต่มาเกิดสะดุดเวลาคิดอยู่เสมอคือคิอคดแย้งว่าที่เราคิดอยู่มันเป็นสัจจะหรือเปล่าเพราะความจริงเราไม่ได้ตายแบบนี้ที่เราจรินตนาการอยู่มันปฏิบัติถูกไหมครับแต่ชอบจินตนาการเพราะมันสงบดีคะ่ะก็ถ้าถามก็เราอย่างน้อยเราเร า, เร า, เร า, เรายังกลัวตายหรือเปล่า ถ้าเรายังกลัวตายอยู่มันก็ยังไม่ใช่ถ้าเราคิดว่าวันหนึ่งเราต้องตายแล้วเราจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่กลัวตายก็ถือว่าใช่แล้วเป็นปัญญาคุณเจมส์ครับมีจุดตรงกลางระหว่างมรรคผลนิพพานกับลาบยศสันเริมไหมครับไม่รู้โครงการอยู่ตร่ไหนอะไม่มีเพราะมันก็เป็นมันทาง ถ้าทำแยกสองทางเนี่ยมันเป็นสามแยกนะคุณก็ไม่ทางเลือกไปซ้ายก็ไปขวาไม่มีทางอื่นล้าถ้าทางกลางก็ทางที่คนเพิ่งมาที่คนเพิ่งมาเนี่ยอาจจะเป็นทางกลางแล้วทางก็ไม่มีเพราะมันจะเป็นเป็นทางที่ส่วนใหญ่ทุกคนที่กลับมามันอยู่ในทางของราบยศเสร็จทุกคนเนี่แต่ว่าวันหนึ่งเราได้มาเจอป้ายเขาบอกมีอีกทางหนึ่งไปทางนี้ จะไปไม่ร้ไม่ไปอยู่ที่เราจะเลือกกันเองคุณเพื่อนรักครับเวลาภาวนาเราพุโทโธตามลมหายใจเข้าออกพุโทโธออกหรือให้ภาวนาพุโทโธโดยไม่สนใจลมหายใจแต่ให้เอาจิตอยู่ที่ท้องคะ่ะคือมันมัน่าแต่ละคนคนบางคนเขาใช้สองอย่างได้เก็ใช้สองอย่างบางคนใช่อย่างเดียวได้เขาก็ใช้อย่างเดียวเนั้ยแล้วแต่เราจะสะดวก เราใช้พุทโธอย่างเดียวเราไม่ต้องดูอะไรเลยก็ได้ไม่ต้องดูท้องไม่ต้องดูหมอกอะไรทั้งหมดก็ได้พุทโธไปอย่างเดียวหรือถ้ า, าจะดูลมอย่างเดียวโดยที่ไม่พุทโธก็ได้เหมือนกันอาจะดูที่ท้องก็ได้แล้วดูที่ปลายจมูกก็ได้แล้วมาคนชอบเ่าทั้งสองอย่างมนรวมกันก็ได้เพราะฉะนั้นมันเป็นการเป็นงานการทำสามสามวิธีการด้วยกันพุทโธอย่างเดียวลมอย่างเดียว หรืพูดโท้กับลงควบคู่กันไปคุณสมจันทร์ครับมีอาการนึกถึงสิ่งปฏิกูลอยู่บ่อยๆและเห็นสิ่งปฏิกูลบ่อยๆโดยบังเอิญทำให้มีอาการผออึดผะวโ อ, อมกับสิ่งเหล่านั้นทานอาหารไม่ลงมีอาการรังเกียจแม้แต่การนั่งทานอาหารใกล้ๆห้องน้ำหรือการนอนใกล้ๆห้องน้าซึ่งแต่ก่อนไม่มีการนึกถึงเหล่านี้เลยจะพิจารณาอย่างไรดีคะ แคอยู่ที่ว่าเป้าหมายของเรานี่เราต้องการอะไรถ้าเราไม่ต้องการอาหารการเห็นปฏิกูลมันก็มันก็ดีมันมันตอบสนองเป้าหมายของเราได้ก็คือบางทีตอนนี้เราอ้วนอย่างเงี้ยน้ำหนักเกินหมอบอกให้หันลดน้ําหนักลงอยู่ในสภาวะที่ปลอดภยัยอย่างนี้ยถ้าเราเลึกถึงสิ่งปฏิกูลแล้วไม่อยากกินอาหารมันก็ดีมันก็เป็นประโยชน์แต่ถ้าเราพร้อมกล่อากองแกงแล้วเรายัางไม่อยากจะกินอาหารนี้ มันก็ไม่ไม่ดีแล้วล่ะเพราะมันมันจะทําให้ร่างกายเราตายได้ตายจากการขาดสารอาหารกินอาหารไม่พอเพียงถ้าถึงเวลานั้นเราต้องหยุดมันอยากป่อยให้มันคิดถึงปฏิกูลเวล่เราคิดถึงปฏิกูลนี่ต้องใช้ใช้พุทธโธพุทธโธรรนะครับไรมีวิธีแก่ถ้าไปคิดถึงสิ่งที่เราไม่ควรจะคิดได้ตอนในตอนนั้นเราก็อยากไปปล่อยให้มันคิดเราก็ต้องใช้อย่างอื่นมาแทนใช้พุทธโธพุทธโธพุทธโธไป คุณพิชัยครับการเป็นถามพระอาจารย์ครับชาญศรียังรู้ลมหายใจอยู่ไหมครับอรูปรชาญจะไม่รู้ลมหายใจแล้วใช่ไหมครับชาญศรีก็ไม่รับรู้ลมหายใจแล้วตอนนั้นไม่รับรู้ร่างกายแล้วมันอยู่กับผู้รู้อย่างเดียวสักแต่ว่ารู้แต่ไม่จะมีร่างกายอยู่บางทีมันก็ไม่รับรู้คุณเฟิร์สลีครับ อยากเรียนพระอาจารย์อยากทราบว่าหลวงปู่โบเกตกับพระอาจารย์สุชาติมีความเกี่ยวข้องกับกันอย่างไรครับหรือเป็นศิษย์หลวงตามหาบัวครับผมหลวงปู่โบเกตนี้ท่านเราเอาเกี่ยวข้องกับท่านก็ตอนที่เราตัดสินใจจะบวชแล้วเราอยู่ที่นัตปฏยา น, นาเกลือซึ่งวัดของหลวงปู่โ บ, บเกต์ท่านก็อยู่ที่นั่นเราก็ศึกษาถามคนแถวนั้นว่า ถ้าจะบวชแถนี้มีวัดไหนที่น้าบวชไหมเขาก็แนะนําวัดหลวงปู่โมเกศเนะี่ยถือว่าเป็นวัดที่คนทั่วเขาร่มนับถือว่าเป็นวัดที่เข่งในพระวินัยครับเราก็เลยไม่รู้จะไปบวชที่ไหนก็แล้วเราก็เลยไปลองลองไปหาหลวงปู่โมเกศนะเพื่อกาบขอคําแนะนำหรือขอขอข อ, ขอความช่วยเหลือว่าท่านเรามีเจตนาอยากจะบวชเพียงแต่ว่าเรามี บวแล้วเราไม่อยากจะศึกษาหรือทำวิธีกรรมอะไรต่างเช่นรับกิจนิมนต์ไปสวดงานศพงานอะไรต่างอยากจะให้กับเวลากับการปฏิบัติอย่างเดียวอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราไปเข้ากับหวงปู่มาเขีแล้วเราไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนแต่พอเราตัดสินใจอยากจะบวชแล้วก็ต้องหาที่บวชเนี่ยเมื่อตอนก็นกนได้ยินข่าวว่า น้องปู่ว่าเกศนี่เป็นวัดที่น่าบวนเป็นวัดที่เข้นคัดแต่คนที่ก็บอกเขาไม่เข้าใจเขาไม่รู้ว่าเราเราต้องการวัดแบบเป็นวัดป่ามากกว่าแต่ก็ไปไปคุยกับท่านไปพบท่านแล้วก็ไปกราบนั่นแล้วไปเนาความต้องการของเราว่าอยากจะบวชอยากจะปฏิบัติไม่ไม่อยากจะเรียนเพราะเราเรียนมาพอแล้วรู้วิธีการปฏิบัติอยากอยากหาที่ปฏิบัติมากกว่าหาที่สงบที่เงียบแลปฏิบัติ ท่านก็บอกว่าวัดท่านอยางเป็นวัดที่มีกิจกรรมมีการเรียนปริญญาตมีการทําพิธีมีการรับกิจหนี้มนีมีเมน ม, มีอะไรถ้าอยู่กับวัดท่านก็ต้องทำภารกิจอะไรนี้ต้องมียหนังสือด้วยแล้วก็ต้องรับกิจหนี้มนอะไรนั้ด้วยอย่างปฏิบัติมันก็จะเป็นกลายเป็นเหมือนแกะดาอยู่ในฝูงแกะขาวท่านก็เลยแนะนําว่า ทัานรู้จักสมเด็จพระยาสังวรที่เป็นญาณ ว, วัวัดบวรท่านรับผู้รับบวชให้กับผู้ที่สนใจอยากจะไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ทางสายปฏิบัติท่าก็แนะนําว่าให้ไปที่วัดบวรแล้วไปข อ, ขออนุญาตสมเด็จบวดชแล้วบวชเสร็จท่านก็ยังอนุญาตให้เราไปหาวัดป่าวมื่อที่มีการปฏิบัติ บ, บางด่วนเราก็เลยได้คําแนะนําจากท่าน ฉะนั้นนี่คือการที่ได้พบ้านท่านได้คุยกับท่านเพียงครั้งเดียวองอ๋อพระาารเจอตรงปู่ครั้งเดียวเองใช่ไหมครับ<จ>อ่าครั้งเดียวนั้นก็เจอเลยร้านครั้งเวลาที่เรามาพักอยู่พัทยาที่เราก็ไปพักอยู่ที่ในสวนสวนของวัดที่ท่านทำเป็นสวนปฏิบัติธรรมก็จะพบกับท่านกราบท่านแต่ไม่ได้คุยกันมันต้องมงัมอกาที่วั้วประกันอะไรอย่างี้ครับ แต่จะไม่ได้มีการไม่มีการรู้จักกันแบบสนิทสนมแบบคุยคกันแบบคุณหมอกับเราไ ม, ไม่ไม่มีครับผมแต่เคยเห็นหลวงปู่ไปเยี่ยมป้าจาย์ด้วยนะครับก็มีกาอาจจะเป็นเรื่องของลูกศิษย์หรืออะไรใครก็ไม่ทราบท่านอยากจะลูกศิษย์ที่ดูแลท่านก็ลูกศิษย์ก็อยากจะพาท่านออกมาข้างนอกวัดมันเพราะว่าท่านอยู่ในวัดท่านอยล้วะไยหาที่ไปหาเหตุไปอะไรก็ไปหาอาจารย์ชุกชาติก็รู้จักกันมา ก, ก่อน Oh, oh, oh. อ๋อประมาณอนนี้แต่ตอนันก็ไม่ได้คุยอะไรกันก็เป็นประกาศท่านก็อะไรท่านน ต, ตอนนั้นท่านก็ไม่ก็พูดพูดไอะไรใครได้พูดฝ oh. ังอะไรกันเรื่องครับ oh. อย่างนี้ไม่ได้พูเพื่อปฏิเสธท่านหรือว่าเพื่อที่จะใช้ท่านเป็นเป็นผู้เกาะติดเพื่อให้ให้เรามีความรู้จักโ ด, ด่งดังอะไรขึ้นมาพูดนี้พูดตามหลักควา ม, มรจริงว่า oh. ที่รู้จักประท่านก็รู้จักกันในลักษณะนี้ท่านเองครับแต่เรื่องความเคารพนับถือท่านก็เคารพเหมือนกับคนอื่นที่เคารพนับถือท่านนะท่านก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีอะไรตา่างๆนี่เราความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดนี่มันยังไม่มีแม้แต่ลวงตารเราอยู่ประท่านมาหลายปีก็ไม่ได้มีความใกล้ชิด น, น, นอกจากอางค้งมาเกิดไปคุยสนทนากับท่านสองต่อสองอะไรนี่ก็ไม่เค ย, คย ม, ค ม, ม, คยมีครับแต่แต่หลวงตานี่ พะปฏิบัติจะอยู่ในตาท่านตลอดนะครใช่ไหมครับอาจารย์ท่านจะมองไม่ก็อติดตท่านจะติดตามโดยเฉพาะผู้ที่ไปศึกษากับท่านไม่นะ่าจะว่าท่านไปแนละ้วท่านน่าจะจะติดตามดูว่าไปทําอะไรต่อไ ป, ไปจะแรงนัง้นไปเสื่อมับแต่เรากลัวมากเราไม่อยากจะอ้างชื่อกูบาอาจาร์แต่เรากลัวว่าจะเป็นการกว่าเอาท่านมนาะเป็นโลมัน ตัวมาเชิดเราให้เรามีลาศีขึ้นมามาถึงแม้จะไม่ค่อยกล้าพูดกึงครูบาอาจารย์แต่ถึงม้จะรู้จักท่านพบท่านมาเราก็พยายามที่จะถ้าไม่มีการจะเป็นอย่างนั้พูดเราจะไม่พูดนะครับคุณมาลาทรีครับดิฉันเป็นข้าราชการบนานาญและป่วยเป็นโอกาสทองที่ได้ปฏิบัติธรรมง่ายเพราะไม่ต้องทํางานแต่มีรายได้ไม่มีเรื่องกา ร, รมอารมณ์ได้ถือศีลห้านั่งสมาธิได้บ่อยมากและตัดความอยากได้หลายอย่าง จะต้องทําอย่างไรต่อเจ้าคะก็ลองไปอยู่วัดดูว่างเป็นพัดพัดไปปีกว่แวกไปอยู่วัดถ้ามันหายจากบรรยากาศของที่บ้านวัดที่บ้านมันยังมีเรื่องของกิลเลสหอบร้อม อ, อยู่เยอะจู้เย็นใน้ทอทัดเอะไรต่างๆเครื่องบรรดาเอ่อมันเพิ่มอานวยความสุขวกทางกายอารมณ์อย่างไรอยู่ก็ลองไปอยู่วัด น, นั่งไปหรือวัดที่สงกที่ที่เรียบง่ายที่ไม่มีพิธีกรรมอะไรมีแต่การปฏิบัติ เราจะได้ปฏิบัติเข้มข้นยิ่งขึ้นไปคุณแอมมี่ครับคนที่เวลากโกรธแล้วชอบทำลายสิ่งของที่รักของผู้อื่นจะได้รับผลแห่งกรรมแบบเดียวกันหรือเปล่าคะเพราะทำะไมวะเราก็จะต้องได้รับสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วทำลายของสิ่งผู้อื่นวันหนึ่งก็ต้องเจอคนอื่นมาทำลายสิ่งที่ตอนนี้ไปทำลายทาอย่างไรก็ได้อย่างนั้น ให้ทุกแกท่านทุกทาก็จะกลับมาครับเราคุณอนโรสครับเวลาทำบุญให้วัดโดยการหยอดตู้พอหยอดแล้วเราต้องเอาใบปรณนาไปถวายเจ้าวาดไหมคะเคยหยอดตู้หลายครั้งครั้งละหนึ่งพันสองพันบ้างครั้งละห้าพันบ้างแต่ไม่ได้ถวายใบปรนนาให้เจ้าวาดบางทีคนเปิดตู้อาจงุบงิบไปได้เราควรบอกจานวนให้เจ้าวาดทราบไหมคะ หนูกำลังฝึกตัวเองเวลาถวายปัจจัยไม่อยากให้มีความรู้สึกว่ามีตัว ต, วตว น, ตว น, ตว น, ตวนไม่ต้องให้ใครรู้ค่ะอไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อถือกันเรื่องในตู้วายจากนี้เขาจะมีเจา้าหน้าที่ที่นํามาเก็บไปมันเจ้าหน้าที่ไม่ใช่คนเดียวเขาก็มีเจ้าหน้าที่หลายคนมามาคอยเฝ้าดูกันเพราะงั้นก็เําทำเชื่อหลักการของของของวิธีการของวัดแต่ละวัดก็มีวิธีการอย่างไรเพื่อที่จะทําให้มัน ที่ถวายวัด น, นี่ไปถึงวัดโดยโดยไม่ถูกถูกขมโมยไปดันั้นท่านหย่อนในตูบริ้จากแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปถ้าอยากจะให้เจ้าวาดทราบก็เอามันใส่ซองไปแล้วก็ไปถวายแล้วแล้วก็เอาตุมไภาวนาถวายท่านไปแต่มันก็จะเป็นของเจ้าวาดซส่วนใหญ่ถ้าเราไม่ได้กําหนดว่าจะถวายให้กับวัดการถวายให้กับพระนห้มันมีสองแบบถวายให้กับวัดผ่านท่านหรือถวายให้กับท่านโดยให้ท่านใช้โดยตามอัตยาศัย อันนี้ถ้ามันให้กับท่านเพื่อใช้ทายาสายท่านก็จะเก็บไว้ใช้ได้เองแต่ถ้าจะให้ต่อยผานท่านเพื่อให้ไปไปเข้าบัญชีวัดท่านนี้ท่านก็จะต้องเอาเอามันก้อนนั้นไปให้เขาให้บัญชีวัดอีกทีหนึง่งซึ่งบัญชีวัดก็จะมีคณะกรรมการมาพูดดูแลที่ท่านไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยคุณครูบอยครับต้องใช้ขันติมากไปตลอดทุกขั้นเลยไหมครับจึงจะบรรลุทําได้ครับ มันก็มันก็เป็นสิ่งที่มันจะท้าทายบางทีมันท้าทายต่อต่อกิเลแเรามันทำให้ใจเรานี่ร้อนขึ้นมาถ้าเราไม่มีความอดทนมันก็อาจจะทนท น, ทนทำไม่ได้คุณเพนัยรินครับกลับเรียนถามพระอาจารย์กำลังใจในการปฏิบตัติบางครั้งทรงได้ดีบางครั้งก็ตก แบบนี้จะต้องทําอย่างไรจรึงจะทรงกําลังในการปฏิบัติให้คงที่หรือก้าวหน้าได้เรื่อยๆคะเราก็ต้องใช้หลักการในการทําอย่างยางสมำเสมออย่างต่อเนื่องาบางทีเราต้องอยอมรับว่าจิตใจเรามันงทีมันก็ขึ้นมางทีมันก็นลงบางทีก็มีกําลังที่อยากจะปฏิบัติเยอะบางทนก็มีกํำลังปฏิบัติน้อยแต่เราใช้ใช้ใช้หลักหลักของการกระทําอย่างสม่ำเสมอ น, นี่มา มาแก้ปัญหาถึงนม้จะไม่อยากปฏิบัติเมื่อถึงเวลาปฏิบัติเราก็ต้องปฏิบัติทำหน้าที่ของเราไปนนกับการรับประทานอาหารเนี่ยเราก็ต้องถึงเวลาเราก็ต้องรับประทานอาหารบางวันก็อาจะไม่อยากจะรับประทานอาหารแต่ก็รู้ว่าถ้าเราไม่รับประทานอาหารเดี๋ยวเราก็จะหิวได้ถึงแม้จะไม่อยากรับประทานาหารบางก็เล่าฝืกบังคับให้มันรับประทานอาอันนี้ก็แบบเดียวกันการปฏิบัตินี้อยากปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ของเรา ถ้าป่อให้เป็นตามอารมณ์นะบางทีเวลามันไม่อยากปฏบิบัติก็ไม่ปฏบิบัติไปยาวอะไรก็มีแต่ถมีอยากปฏิบัติอีกทีก็หลายวันหลายเดือนก็มีอาณาญาอย่าปล่อยให้มันไปตา ม, มํารมณ์เราต้องมีมีหลักการมีกําหนดวาระของการปฏิบัติมิตารางของการปฏบิบัติเช่นวันนี้เวลานี้เราปฏิบัติพอทิ้งแล้ววันนี้เวลานี้ก็ต้อง ท, ทางทันทีถ้าอยากปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ต้องฝืนใจ ต้องใช้คันติอย่างที่ทัศนเมื่อกี้ถานถึงต้องใช้ความอดทนใช้ความเพียรพยายามใช้สัจจะอธิษฐานสัจจะอธิษฐานก็คือการตั้งตารางนีอาจจะนั่งเวลานี้จะนั่งกี่ชั่วโมงนั่งกี่นาทีก็ว่าไปกําหนดไปพอถึงเวลาก็ใช้ความเพียรบังคับให้มันไปนั่งไปทำนอกจากใช้คันติความอดทนเวลาที่ไม่อยากจะนั่งมันก็จะรู้สึก อ ก, ก็ต้องทนไปอย่าอย่าปล่อยให้คนรู้สึกเึดอัมันทำให้เราเลิกทำเราเลิกจากการการับคุณจรครับพระธุดงที่เดินบิฏบาทในเมืองในซอยหมู่บ้านเราจะทราบได้อย่างไรว่าเป็นพระจริงหรือพระปลอมครับก็ยากเหมือนกันอันนี้เองก็เพราะว่า ถ้าไปตรวจสาบท่านมันก็ไม่มันก็ไม่ไม่สมควรถ้าเราไม่แน่ใจเราเพิ่ต้องไปทําบุญกับท่านเท่านั้นเองอย่างถ้าเราคิดว่าจะเป็นใครก็ได้เขาเป็นขอทานา น, นั่นพระขอทานเลยในเครื่องแบบพระก็ได้ในกอขอทานในเครื่องแบบของคารวาถ้าเราอยากจะสงข้อาะหเขาเราก็ทําบุญไปแล้วก็ให้อาหารเขาไปก็ได้คุณเปียนาท์ครับ ขอสอบถามว่าเราสามารถอุทิศบุญให้กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมคะอันนี้เขาไม่ได้ยอมทํากันนะะเราไม่เศร้าทําได้ไม่ได้ตัวใหญ่ที่เขาอุบุญให้กับคนตายเพราะคนตายทาบุญเองไม่ได้แต่คนที่มีชีวิตอยู่นี้เขาเขาทําบุญเองได้งั้นไม่ต้องอุทิศบุญให้เขาเพราะบุญที่เราอุทิศมันเป็นส่วนนอยกว่าบุญที่เขาทาเอง คุณสุภาพรณ์ครับตอนนี้ลูกมีความต้องการหาทรัพย์ภายในมากกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะเห็นถึงความจริงแล้วอยากจะเข้าแต่ภาวนาแต่ยังมีภาระต้องดูแลครอบครัวอยู่ขอพระอาจารย์ให้คําแนะนําด้วยเจ้าค่ะก็แบง่งแบง่งแบ่งงานให้มันเหมาะสมกับหน้าที่ก็แล้วแต่เวลาที่ต้องมีภาระ ด, ดูแลครอบครัว ก, ก็ดูแลไปเวลาที่ว่างเราก็มาให้กับการภาวนาไปจนกว่าภาระหน้าที่มันค่อยลดน้อยถอยลงไปเลย เราก็จะได้เพิ่มเวลาให้เราการภาวนาให้มากขึ้นไปคุณวชิวราพรครับข้าพเจ้ารู้สึกว่าทางธรรมช่วยให้เราหลุดพ้นทุกข์แต่ทํายังไงให้ผู้คนหันมาไม่ตารักการปลองดองคะเพราะบางคนเข้าวัดฟังธรรมะแต่แค่ให้อภัยกันไม่ได้เราจะสามารถใช้ธรรมะข้อใดสอนให้เขาเข้าใจเจ้าคะคือการที่จะไปสอนคนอื่นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยากเพรหนึ่ง เขาจะยินดีฟังเราหรือไม่ถ้าเขาไม่ยินดีฟังเราแล้วก็มันก็ไม่มีไม่มีไม่มีทางที่เราจะสอนก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องสอนคนที่เขายินดีแล้วกาที่จะสอนคนที่ยินดี้เราต้องสอนตัวเองได้ก่อได้ก่อนหรือเปล่าเอาเราสอนตัวองให้มีความเมตตามก็ไม่ได้แล้วเราจะไปสอนให้คนอืนก็มีความเมตตาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องการสอนคนอย่างนี้ ควรจะตัดถึ้งไปก่อนจ ะ, จะดีกว่าแลาเวลาที่จะไปสอนคนอื่นมาสอนตัวเราเองก่อนดีกว่าสอนตัวเราเองให้เป็นคนที่มีความเมตตาชีสละแม่งปันแล้วต่อไปคนที่เขาเห็นเราเป็นคนแบบนี้เขาจะเกิดศรัทธาที่อยากจะมาเรียนจากเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปหาคนมาสอนมาคนมาเรียนคำถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับคุณนิรุตครับ มีอะไรเป็นตัวชี้วัดไหมครับว่าที่ผ่านมาเราทําบุญน้อยไปควรเร่งทําบุญให้มากขึ้นหรือที่ผ่านมาทําบุญมามากแล้วอาจจะหยุดทําบุญไปครับก็อยู่ที่ยากง่ายถ้าเราทํายากก็แสดงว่าเราทํามาน่อยถ้าเราทําง่ายก็แสดงว่าเราทํามามากครับโอเคหมดนครับครับวันนี้หมดเวลาก่อนครับพระอาจารย์ครับ อาจารขอความเมตตาครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซบุ o กห้าร้อยปดสิบเอ็ดคนในยูทูบสี่ร้อยเก้าสิบห้าในข่าวเพลยสิบเอดวันนี้มีเพื่อนๆ น, นฟังทำอยู่ด้วยกันหนึ่งพันกับแปดสิบเจ็ดคนครับอาจารย์ครับขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่มาร่วมสนสนามาฟังกันควังว่าคงจะได้ไประโยชน์ไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นํามาไปปฏิบัติให้เกิดนักวนตามมาต่อไปการแสดงธรรมตลอดคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิตพิจารณาไปปฏิบัติเพราอความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรม ย, ยิ่งขึ้นไปเทอรสาธุาขอะราคุณบอและท่านผู้ชมผู้ฟังมว้เพียงเท่านีนะ้ถ้าไม่มีอะไรก็คงจะได้พบกันอีกในอาทิตย์หน้าเช่นเคยขอเจริญพรกลากขอบพระคุณพระาจารย์ครับ